ขอเจรินพรท่านคณาจารย์คณที่และนักศึกษาทุกท่านพูดถึงเจ็ดเบิกบานเนี่ยเรามักจะบานมากๆเนี่ยช่วงเย็นวันศนะุกร์นะวันเสาร์ใช่ไหมแต่พอถึงเช้าวันจันนี่หลายคนก็จะรู้สึกว่าใจมันห่อเหี่ยวนะที่จริงแล้วเนี่ย จิตเบิกบานเนี่ยกับการงานเนี่ยมันไปด้วยกันได้มันไม่จะเป็นว่าคนเลยต้องเบิกบานเมื่อรู้ว่างานใกล้จะเสร็จหรือว่าวันหยุดใกล้จะมาถึงสิ่งสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่า เราเนี่ยรู้สึกกับงานอย่างไราทราไมช่วสิ่งสาคัญนะที่ช่วยทำให้เรามีความสุขกับงานเนี่ย mm. ก็คือสิ่งที่เรียกว่าฉันทะฉันทะคือความพอใจฉันทะคือความชอบความรักถ้าเรามีความรักในงานความคืงพอใจในงานเนี่ย จะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะขอให้เป็นงานที่เป็นสัมมาชีวะเนี่ยความสุขมันจะเกิดขึ้นมาในใจของเราคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีความสุขในงานก็เพราะว่าไม่ได้ปลูกฉันทะให้เกิดขึ้นมาในจิตใจตมันเมื่อการเรียนนะ ทำไมบางคนบางคนเนี่ยมีความสุขกับการเรียนแต่บางคนมีความทุกข์มากกับการเรียนประสบการณ์ของตอมานเนี่พบว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีชันทะในการเรียนโดยเพราะชันทะในวิชานั้นๆอย่างเช่นสมัยตมาเป็นนักเรียนประถมนเนี่ยตามามีชันทะในวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งก็เพราะครู ครูที่สอนอย่างสนุกนะและเชื่อว่าครูท่านนั้นเนี่ยก็คงจะรักในการสอนเมื่อครูรักในการสอนนะนักเรียนก็ง่ายที่จะรักในการเรียนและผลที่ตามมาคือว่ามีความสนใจอยากรู้ในวิชานั้นมากขึ้น สอบอยางไรายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าอยากจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด ต, ตอนหลังอาตมาก็มีฉันท่านในวิชาอื่นด้วยฉันท่านในวิชาภาษาไทยเนะมื่อขึ้นชั้นมัธยมมันก็มีความสุขนะกับการที่ได้เรียนความสุขที่ได้เรียนรู้เรื่องวยากรแต่นักเรียนหรือเพื่อนร่วมชัน้นจนนามเนี่ยเขา ไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเขาไม่มีสันทานนั่นเองอัตมาเพราะว่าพอมีสันทานในการเรียนไม่ใช่เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาไทยแต่รวมทุกวิชาอืนอ่นๆด้วยเนี่ยตื่นเช้าขึ้นเจสีก็ตื่นแล้วมานั่งทบทวนวิชาที่จะเรียนในวันนั้นนไม่มีใครบังคับ แต่มันมีความสุขที่ได้อ่านมีความสุขที่ได้เรียนและธมาเชื่อว่าเนี่ยคือเคล็ดลับนะของการเรียนจังมีความสุขส่วนใหญ่ที่เรียนไม่มีความสุขนะเพราะว่ารู้สึกว่าถูกบังคับให้เรียนไม่มีความชอบไม่มีสันท้านในอย่าว่าแต่การเรียนยทัว่วทั่วไปแม้กระท่งในบางวิชาหรือในวิชาแต่และ ว, วิชาก็ไม่มี แต่าจว่าไปแล้วเนี่ยมันก็มีผลสืบเนื่องมาจากครูนะเคยมีคนถามอัตะวักขเวทผู้ที่มาวิทยาลัยห้งหนึ่งดงาวไพศาลก็มีอาจารย์แพทย์คนหนึ่งถามว่าท่านมีไงถึงจะให้นักเรียนแพทย์เนี่ยมีความสุขกับการเรียนอันตะวักก็ตอบว่าคนสอนคืออาจารย์เนี่ยต้องมีความสุขกับการสอน ถ้าอาจารย์ไม่มีความสุขการสอนนะมันจะให้นักเรียนเนี่ยหรือนักศึกษามีความสุขการเรียนเนยากแล้วเทียตมาพบแล้วก็ที่อาจารย์ส่วนใหญ่ยอมรับคือไม่ได้มีความสุขการสอนเท่าไหร่เมื่อตัวไม่มีความสุขการสอนจะให้นักเรียนเนี่ยหรือนักศึกษาเนี่ยมีความสุขการเรียนมันก็เป็นเรื่องยากยกเว้นแต่ว่ามีนักเรียนบางคนหรือนักศึกษาบางคนเนี่ยค้นพบคุณค่าของการเรียนด้วยตนเอง หรือเกิดติดใจใฝ่รู้ในการเรียนอันนั้นก็เป็นกรณยกเว้นเพราะนั้นเนี่ยเรื่องความสุขการเรียนกับความสุขการทำ ง, งาน ม, มันเรื่องเดียวกันนะอาศัยฉันทะถ้ามีฉันทะแล้วเนี่ยเหนื่อยไม่กลัว ยากลำบากไม่กลัวกนะับสนุกสี่นะเพราะว่ามันกลายเป็นสิ่งท้าทายไม่ว่าจะเป็นการบ้านที่ยากรายงานที่ลำบากนะกลายเป็นเรื่องท้าทายเพราะว่าสนุกที่ได้ปลุกปล้าการทำงานก็เหมือนกันนะความสนุกมันจะตามมา เมื่อเจอความยั่งลําบากมันกลายเป็นเรื่องท้าทายทีนี้ฉันท้าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะแล้การทำงันคือการเห็นคุณค่าของมันอันตมาเนี่ยมีฉันท่าในการเรียนเมื่อรู้ว่าเรียนไปทําไมก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่รู้เลยเพราะไม่เคยถามเรียนไปตามหน้าที่เรียนเพราะกลัวกลัวถูกลงโทษใครลงโทษพ่อแม่แล้วก็ ครูบาอาจารย์โงเรียนขอตมาเนี่ยเป็นโงเนที่ดุมากในเรื่องการเคี่ยวเข็นนักเรียนนะลงโทษตะบันเลยนะเข้าแถวไม่ตรงก็ถูกลงโทษนะตอบ ผ, นะผิดก็ถูกตีนะตอบผีดก็ถูกตีนะสมัยเด็กๆเนี่ยนะต้องวิชาจดหมายก็ต้องเขียนซองเอ ง, งออนึกออกไหมฮะสมัยก่อนต้องเขียนซองเองนะห้านิ้วคูณสองนิ้วห้าสองนิ้วครึ่ง เกิดไปเซ็นเดียวก็ถูกตีแล้วอย่างนี้มันทำามเราต้องต้องเอาใจใส่แต่ไม่มีความสุขนะชีวิตช่วงก่อนนะั้นเป็นช่วงที่มันดำมืดหม่นหมองเพราะว่ามันเรียนด้วยความกลัวเพราะว่าไม่รู้ว่าเรียนไปทำไมแต่พอรู้ว่าเรียนไปทำไมนี่โอ้มันสว่างเลยนะมันสดใสเรียนไปทำไมอาตมาก็ไม่แน่ใจว่านักศึกษ า, าทุกวันนี้เนี่ยรู้อย่างว่าเรียนไปทไม และหลายคนเนี่ยที่จบแล้วเนี่ยอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าอยู่ไปทไําไมชอบลืออยู่ไปทําไมเนี่ยนะไอการทํางานจะมีความสุขจะไม่ใช่ลืมยาเพราะงานเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องมือในการที่ทําให้อยู่อย่างมีคุณค่าทําให้การดํารงอยู่ของเราชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ก็เมื่อไม่มีเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าจะทำงานไปทำอะไรนอกจากแค่อยู่ไปวันๆแค่ให้มีกินมีใช้มีเงินผ่อนรถผ่อนบ้านแต่ไม่รู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรในที่พ่อเรารู้ว่าเรียนไปทำไมหรืออยู่ไปทำไมเนี่ยหรืออย่างน้อยๆเนี่ยทำสิ่งนั้นเพื่ออะไร ถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราจะทํานอย่างมีความสุขเห็นคุณค่าคือเห็นประโยชน์ของมันประโยชน์ที่ว่านี่จะอาจจะเป็นประโยชน์ที่มีต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติหรือเป็นประโยชน์ต่อ ต, ตัวเองในมิติที่ลึกซึ้งก็ได้ไม่ใช่แค่มีเงินมีอาชีพมี่บ้านเท่านั้นอาตมาจยกตัวอย่างนะตัวอย่างหนึ่งคือเรื่องของคนกอดอิด 3คนมีผู้ชาย3ามคนเนี่ยก่ออยู่ข้างๆใกล้ๆกันคนนึงเนี่ยทำไปสักพักก็หลอยไปสูบบุหรี่สูบอย่างช้าๆสูบเสร็จก็อ้อยอิงเดินกลับมาแล้วก็ค่อยๆก่อทีละก้อนทีละก้อนเราก็ว่าอยากจะให้เวลามันผ่านไปเร็วๆอีกคนนึงเนี่ยนั้นทำดูกระฉับกระเฉง กว่าคนแรกแต่ทำไปก็ดูนาฬิกาไปเพราะตอนนั้นมันสี่มงเย็นแล้วแถมเป็นวันศุกร์ด้วยนะคนที่สามเนี่ยทำกระฉับกระเฉงมากเงือ้อนี่เต็มหลังเลยนะแต่ว่าไม่มีทีท่าว่าจะอู้ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยถามคนแรกว่าเขาทำอะไรคุณทำอะไรอยู่กระเปอาผมกำลังก่ออีกครับ ามคนที่สองกำลังทอะไรก็ตอบว่าผมกำลังก่อกําแพงถามคนที่สามคนที่สา ม, สามตอบว่าผมกําลังสร้างวัดครับทําเหมือนกันนะแต่มองต่างกันคนหนึ่งเนี่ยมองแค่เนี้ยก่ออิฐคนที่สองกลายไปหน่อยก่อกําแพงคนที่สามโน่นสร้างวัดแล้วคนไทยเนี่ยนะสร้างวัดเนี่ยหรือว่าคน ชาติไหก็ตามเนี่ยสร้างโบสเนี่ยมันเป็นกุศลมันเป็นมันเป็นมหากุศลทำแล้วก็รู้สึกปราบพื้นปิติหรือว่าตัวงได้มีส่วนอุปถัมภาา์ศาสนาก็มีความสุขถามว่าใครเหนื่อยที่สุดในสามคนคนที่สามมันเหนื่อยที่สุดแต่เหนื่อยกายฮะแต่สุขใจ ความสุขไม่ได้เกิดจากการที่กายมันสบายบางทีกายเหนื่อยแต่ใจมีความสุขก็ได้เพราะอะไรเพราะได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งเดียวกันเนี่ยแต่ลรคนมองไม่เหมือนกันและเพราะมองไม่เหมือนกันเนี่ยจึงมีผลต่องานและความรู้สึกในจิตใ จ, จต่างกันสองคนแรกทำงานไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพย้มอู้ แต่ก็ทำเพราะอะไรเพราะเงินค่าจ้างวันละสี่ร้อยหรือเดือนละห้าพันก็พอให้ทำเสร็จไปวันๆทำงานน้อยกว่าคนที่สามแต่ว่าไม่มีความสุขเพราะว่าจำใจทำทำเพราะมันเป็นเงื่อนไขที่จะให้ได้เงินแต่สงคที่สามเนี่ยการทำงานคือทักหนทางไปสู่การ บำรุงอุปถัรมภ์ศาสนาซึ่งเป็นจุดหมายของชีวิตเขาก็คือการรับใช้ศสาสนานะการสร้างบุญสร้างกุศลไอเงินเนี่ยเป็นผลพลอยได้เมื่อคนที่สามเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของงานนะเขาเรียกมีวิสัยทัศน์นะวิสัยทัศน์ไกลเลยไม่ใช่แค่ก่ออิดก่อกำแพงวิสัยทัศน์ก็ไกลไกลนะอุปถัรมภ์ศาสนา ก็เกิดฉันทะมีความสุขที่ได้ทำคนทั่วไปคิดว่าทำน้อยเท่าไหร่ที่มีความสุขมากเท่านั้นไม่จริงนะการทำน้อยไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขมากการทำมากไม่ได้แปลว่ามีความสุขน้อยสุขมากสุขน้อยอยู่ที่ใจฮะใจว่าคุณมองงานอย่างไร คุณให้คุณค่ากับงานอย่างไรและถ้าคุณให้คุณค่ากับงานที่ทำนะงานนั่นจะกลับมาให้คุณค่ากับคุณอันนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นกฎธรรมชาติเลยหลายคนรับสกว่างานไม่มีคุณค่านั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ค่ากับงานที่ตัวเองทำต่างหาก ถ้าคุณให้คุณค่ากับงานนั้นนะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะงานนั่นจะกลับมาให้คุณค่ากับคุณอีกตัวอย่างที่ธะมาชอบเล่านะอันนี้ก็คุณหมอคนหนึ่งเล่าให้ฟังอีกทีมีช่วงหนึ่งแกก็เล่าจากราชการนะมาช่วยงานงคุณพ่อซึ่งเป็นเจ้าของนะบริษัทแห่งหนึ่งซึ่ง มีธุรกิจใหญ่โตนะตึกหลายชั้นมีรถเข้าออกบริษัทนี่วัน ล, ละเป็นร้อยๆอยพี่หมอวันหนึ่งก็สังเกตเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเห็นมาตั้งแต่เล็กแล้วแกก็ทำงานที่นามาคงจะส0มสิบสาสิบปีแล้วมั้งเหลืออีกสี่สิบปีงานที่แกกลังทำอยู่คือเป็นเจ้าหน้าที่ ปุมรถเข้าออกนะเพราะว่าหน้าตึกเนี่ยมันมีที่จอดรถกว้างก็สังเกตว่าคุณลุงคนนี้แกทำงานกระฉับ ก, กระเฉงแดดร้อนแกก็ไม่ได้มีทีท่าจะอู้งานอะไรเลยเนี่ยแกก็จำได้ว่าคุณลุงค น, นีียทำงานตรงเนี่ยมาหลายปีแล้ว นี่ว่อคงจะใกล้กเกษียณหรือว่า60แล้วมั้งจะสนใจสงสัยทำไมลุงวันนี้แกกระชับกระเฉงกระตือรือร้นวันหนึ่งก็ไปถามลุงทำงานนี้มากี่ปีแล้วตรงเนี้ยเกก็กลับเกือบ10ปีแล้วโอ้โหเกือบ10ปีแล้วเหรอถ้าลุงไม่เบื่อเหรอเพราะตำแหน่งเนี้ยเงินเดือนคงจะไม่มากเท่าไหร่นะ คุณลุงก็บอกคุณหมอจะเบื่อได้ยังไงเวลาผมบอกให้รถหยุดนะรถทุกคันก็ต้องหยุดเวลาผมกระดิกนิ้วตวาดนะกวาดนิ้วนะรถทุกคันก็ต้องเข้ามาแม้แต่รถของคุณพ่อของคุณหมอถ้าผมบอกให้หยุดก็ต้องหยุดนะผมสั่งให้เข้ามา น, นี้เข้ามาได้ไ<ง>แกแค่นี้ยแกก็ถึงมีความสุขแล้วแกก็ถึงมีคุณค่าแล้ ว, ม, ลวมันทำมันทำให้แกสวยแกนี่นะ เป็นคนสำคัญเนี่ยนะเงินๆแกอาจจะน้อยนะสิทธิพิเศษก็อา จ, จะไม่มีมากสลาวัยคนเนี่ยงานแบบนี้เนี่ยมันต่าต้อยสู้ผู้จัด ก, การไม่ได้แต่สำหรับลุงวันนี้เนี่ยงานนี้เป็นงานที่มีคุณค่าสำหรับแกแกทำแล้วมีความสุขแกทำแล้วภูมิใจเพราะอะไรฮะเพราะแกให้คุณค่ากับงานนั้นพอแกให้คุณค่ากับงานนั้นเนี่ย งานนั่นก็กลับมาให้คุณค่ากับแก เ, เวลาเวลาเรารู้สึกว่างานที่เราทำไม่มีคุณค่าต้องกลับมาถามตัวเรานะว่าเราให้คุณค่ากับงานหรือเปล่าถ้าเราไม่ให้คุณค่ากับงานนั่นเพราะว่าเงินเดือนน้อยไม่มีรถประจำตาแหน่งซีต่ำเนี่ยมันก็ธรรมดาที่เราจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่า แต่ที่เราไม่มีคุณค่าไม่ใช่เพราะว่างานนั้นเนี่ยนะมันไม่ให้ค่ากับเราแต่เป็นเพราะเราไม่ให้ค่ากับงานนั้นต่างหากและการที่เราเห็นคุณค่าของงานมันจะต้องอาศัยวิสัยทัศน์กว้างอย่างคนก่ออีกคนที่สามมันมีเรื่องคล้ายๆกันนะประมาณสักเกือบหกสิบปีมาแล้วเนี่ยนะ อเมริกาตื่นตกใจเมื่อรู้ว่ารัเสเซียเป็นประเทศแรกที่ส่งยานอวกาศไปโคจรรอบโลกอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ผลิตระเบิดนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นระเบิดอะตอมหรือระเบิดไฮโด ร, ร, รเจนแล้วก็อเมริกาก็ภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยล้าหน้ารัเสเซียซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์แต่พอรัเสเซียเนี่ยประกาศว่าเนี่ยสามารถจะส่งยานอวกาศไปโคจรรอบโลกได้ เป็นประเทศแรกแล้วก็มีนักบินอวกาศอยู่วรญญาณด้วยนาวิกาตกใจคอมมิวนิสต์ทำไมเหมือนก้าวหน้ากว่ากว่าทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยเสียหน้ามากรัฐบาลเขาจะสมัยไอเซนทาวเลยมั้งก็เลยประกาศว่าตั้งองค์การนาซาขึ้นมา แล้วก็มามาบูมาสมัยเคนเนดีเพราะว่าเคนเี้ประกาศว่าอเมริกาจะเป็นประเทศแรกที่จะส่งคนไปดวงจันทร์นะก่อนรัเสเซียโอ้แกเป็นอะไรงองชาติเลยนะวันหนึ่งนักนักข่าวันหนึ่งไปองค์การนาซาแต่เช้าเลยจะไปสัมภาษณ์พอออก็กเห็นคุณเป้าหนึ่งเนี่ยนะเป็นพนังกงานทางความสลอยแก่ทางนานตั้งแต่เช้าเลยแลกทางนานแข็งขันแข็งมาก นักข่าวก็แปลกใจไปสัมภาษณ์คุณป้าจะบอกว่าเนี่ยไอ้ที่แกทำเนี่ยนะ mm hmm. ก็เพื่อช่วยให้อเมริกาเนี่ยสามารถจะส่งนักบินเนี่ยไปดวงจันทร์ได้แค่กว่ากว่าทำความสะอาดเนี่ยนะแกถือว่าเป็นการช่วยให้ประเทศเนี่ยนะประสบความสำเร็จในการส่งคนไปดวงจันทร์ แกถือว่ากิจกรรมนี้กําลังช่วยชาติแค่กวาดกวาดกวาดพื้นเนี่ยนะเช็ดพื้นเนี่ยนะแสดงว่าแกมีวิสัยทัศน์กว้างมากแกไม่รู้สว่าเช็ดพื้นกวาดพื้นเนี่ยเป็นงานที่ไร้คุณค่าเงินเดนะือนต่ำนะแกรูสวงงานที่แกทำเนี่ยเป็นการช่วยชาติให้บรรลุถึงวาระของชาติได้ แกคี่ว่าแกก็คงทำความทำได้แค่นี้นะแต่กระทำจริงจังเมื่อแกให้คุณค่ากับงานนะงานก็กลับมาให้คุณค่ากับแกแกก็รู้สึกภาคภูมิใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงคุณค่าของงานเนี่ยสมาช่อว่าถ้าเราติดตัียงแค่ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ซีแค่ไหนมี สิทธพิเศษอะไรไม่เนี่ยนะมันยากนะที่ทําให้เรารักงานนั้นเราต้องเห็นมากไปกว่านั้นเห็นไกลกว่านั้นหรือว่าเห็นลึกไปกว่านั้นก็ได้ถึงว่าทําไมถึงแม้จะไม่ช่วยชาตินะอย่างน้อยเนี่ยมันช่วยทําให้เราสึกมีคุณค่าแล้วะสมาชธินี่คือความสําคัญของงานอย่างเนี้ยทําให้เราสึกมีคุณค่าทำให้รู้สึก ม, มีตัวมีตน คนเราทุกวนยางก็ต้องการมีตัวตนนะไม่เสียหายถึงแม้พุทธศาสนานจะสอนให้ละตัวตนนะแต่ว่าสำหรับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันต้องรู้สึกว่ามีตัวตนก่อนนะและงานเนี่ยมันสามารถจะก่อรูปตัวตนขึ้นมาในลักษณะที่ภาคภูมิใจได้ แล้วแต่มาคิดว่าเวลาพูดถึงคุณค่าของงานเนี่ยนะมองให้กว้างมองให้ไกลหรือมองให้ลึกสําหรับคุณลุงนะที่แกคุมจราจรเนี่ยแตกพราว่างานที่แกทำมันเนี่ยมันให้คุณค่ากับแกตอนทําให้แกสุดใจเป็นคนสําคัญไม่รู้สึกด้อยแล้วแมาคิดว่า นี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามแต่จะมารับรู้ได้รู้สึกได้เนี่ยตอนที่ไม่มีงานทําไอการตก ง, งานนี่มันไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีเงินนะมันส่งผลลึกต่อจิตใจมากกว่า น, นั้นความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าบางคนเนี่ยขอยได้ทํางานแม้ไม่มีเงินเดือนเพราะว่างานมันทําให้มันเติมเต็มและมองอย่างในจิตใจ รวมทั้งการที่ได้มาพบปะเพื่อนฝูงมีมิตรสหายตกงานเมื่อไหร่มันก็ไม่ได้เจอแวดวงที่คุ้นเคยก็เกิดความน้อยเหงาแต่ลึกไปก็นนะั้นคือมันทำให้มันได้เติมเต็มบางอย่างในใ จ, ใจิตใจอัตมาเคยไปประเทศไต้หวันแล้วก็ไปดูงานของมุนทิชิจ้น่าสนใจมาก เวลาใช้คอมูนิตี่เนี่ยนะดูเหมือนมันเล็กๆนะแต่ว่าสมาชิกเขาเนี่ยเกือบหนึ่งในสี่ของประเทศนะธรรมการนี่คิดนึกว่าใหญ่แล้วนะเจอสือเจนี่เล็กไปเลยนะเราสือเจนี่ทั้งรวยและมีสมาชิกเยอะแต่รวยของเขาเนี่ยเขาไม่เขาไม่เอาไปสร้างอาณาจักรให้ใหญ่นะว่าเทศเขายังเล็กๆแต่เขาไปสร้างโรงพยาบาลสร้างมหาวิทยาลัย โรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์ของดิจจี้นี่มีชื่อมากรนะวมทั้งทำสถานีแยกขยะตอนที่อาตมาไปในห้าพันแห่งนะทั่วประเทศเป็นกำลังสำคัญในการรีไซเคลิลขยะอาตมาก็ไปสถานีแห่งหนึ่งนะเวลาใช้คำว่าสถานีดูเหมือนอลังการจริไม่ใช่มันก็เหมือนโกนดังนะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นจิตอาสา ทิน า, าสานี่ไม่ใช่วัยรุ่นหนุมสารนะอกงอะ ม, ม่าอแปะนั่งยองๆฉีกกระดาษเพื่อจะไปรีไซเคิลหรือไม่ก็แกะทองแดงจากเครื่องยนต์หรือว่าวิทยุหรือไม่ก็เอาไอ้จุกขวดจากจุกของขวดขวดน้ำนะเอามารีไซเคิลสารพัดนะซึ่งเอาไปไขายไปสั่ เงินที่ได้ก็ไปสะสนสถานีโทรทัศน์ตาไอ้ซึ่งเป็นสถานีที่มีชื่อมากสถานีโทรทัศน์มีคุณธรรมคนดูเยอะมากเลยนะสถานีโทรทัศน์คุณธรรมนี่คนดูเยอะจริงๆนะมากกว่าสถานีที่เป็นเอกชนหรือว่าเป็นผ่านิจิตอาสาคือทั้งหมดเป็นคนแก่มีคนหนึ่งบอกว่าพูดกับตัวเองว่าเนี่ยผมนักขยะคืนชีพ จะบอกว่าตอนที่ไม่ได้ตอนที่เกษียณเนี่ยนะคิดมันว่างเปล่าคิดมันว่างเปล่าคุณแกสมัยก่อนนะถ้าเป็นบ้านเราก็ยังเลี้ยงลูกอ่เลี้ยงหลานสารกระบุงตะก้าทอเสือแต่คุณแกในเมืองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไต้หวันนะเมืองไทยก็จะเริ่มก็เริ่มเป็นมากไม่มีอะไรทำ หลานก็ไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าคนหนุ่มนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีลูกกันแล้วรู้สึกไร้ค่าก็เงินเกษียณนะนะเงินบำเหน็จบรราธิีเยอะนั่งกินนอนกินแต่เท้ามีความสุขไม่มีฮะนั่งดูโทรทัศน์ทั้งวันนั่งดูวีดีโอทั้งวันเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอทุส่สวนตัวนึ็นขยะมาหายเป็นขยะเนี่ยหรือว่าเป็นขยะคืนชีพเมื่อได้มาทํางานเป็นจิตอาสา ไม่ต้องการเงินเดือนนะแต่ว่าทาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันชีวิตมีคุณค่าแต่แล้วการเติบแต่งอาตมาว่าถ้าเรามองเห็นคุณค่าของงานแบบนี้เนี่ยนะชันท่าในงานความรักในงานจะเกิดขึ้นเราจะมีความสุขที่ได้ทำงานนะอาตมาเชื่อฉันท่านี่เป็นข้อแรกนะในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในงานนะและนำไปสู่จิตเบิกบาน ตอนนี้เนี่ยมันมีวิธีการวางใจอย่างอื่นด้วยที่จะไปเสริมสันทะเพื่อให้การทํางานเนี่ยมีความสุขเรียงน้อยเครียดน้อยลงอย่างแรกที่อาตมาคิดว่าสําคัญนะคือการที่เอาใจอยู่กับปัจจุบันจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กําลังทําในปัจจุบันขนาดพูดกันเยอะนะ แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นว่ามันสาคัญยังไงดูปัจจุบันความหมายหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราทําแล้วก็ตามเนี่ยนะถ้าใจเราย อ, ยอยู่กับปัจจุบันนะมันจะไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีโพตีภายส่วนใหญ่เนี่ยนะความทุกในการทํางานเกิด จ, จากใจที่มันบน่นใจที่มันไม่ยอมรับสิ่งที่ทําไม่ยอมรับงานที่ที่กําลังได้รับมอบหมาย เพราะว่าใจมาันวอกแวกนะเป็นนึกถึงว่าถ้าเราไม่ทํางานเราหรือถ้าเราไม่เรียนเราไปไล่ล่าโปเกมอนจะสุดมีความสุขกว่เยอะทําไมกูต้องมาทําตรงนี้วะถ้าไปล่าโปเกมอนเนี่ยมันสมุกกว่าเป็นไหนไหนพอคิดแบบนี้เนี่ยคุณก็จะรู้สึกลาคาญรู้สึกเบื่อการเรียนเบื่อการทํางานถ้าไปเที่ยวห้างไม่ดีกว่าเลยหรือเพราะว่างานมันเยอะงานมันยาก ทันทีที่เราบ่นโวยวายตีโพดาเนี่ยเรากำลังซ้ำเติมตัวเองและการบ่นโวยวายตีโพดาเนี่ยส่วนเกิดจากการที่เราไปไปมองคนอื่นแทนที่เราทำ ง, งานของเราเราไปมองคนอื่นเห็นคนอื่นก็ททำน้อยกว่าเราเขากำลังสนุกนะเรากลับต้องมาทำงานาหลายคนมีความทุกข์เมื่อมี คนมีความทุกข์มากขึ้นเมื่อมีเฟซบุ๊กนะเพราะว่าเปิดเฟซบุ๊กเนี่ยเพื่อนนี่มันไปเที่ยวนะไปต่างประเทศกําลังกินกาลังฉลองเราต้องมาทํางานจริงจริงานไม่มีอะไรนะแต่พอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันอึดอัดขัดเคืองใจนะการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าใจเราไม่เปรียบเทียบใจเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะมันมันไม่มีความทุกข์เท่าไหร่แล้วที่เปรียบเทียบ มากคือเปี่ยดเที่กับเพื่อนร่วม ง, งานอตนาตมาประทับใจเด็กคนหนึ่งนะอันนี้ก็มันหลายปีมันละประมาณสักปีห้าสองเนี่ยมันมันมีสมัยนั้นเนี่ย TBS สถานีทโทรทัศน์เนี่ยยังมีรายการพลเมินเด็กก็จะเด็กประมาณสามสี่คนเนี่ยวัยต่างกัเช่นเจ็ดแปดขวบไม่กถึงสิบสาสิบสี่เนี่ยมาทำกิจกรรมบางอย่างแล้วก็ ดูว่าเด็กเขาทํางานกันยังไงแก้ปัญหากันอย่างไรไรายการนี้ผู้ชมก็คือครูบ้างผู้ปกครองบ้างน่าสนใจบางทีก็เอาเด็กมาทําความสะอาดห้องมางทีก็เอาเด็กมาเลี้ยงมา้ามีคราวหนึ่งเอาเด็กสามค น, คนอายุสิบสามกับ ส, สิบสองเนี่ยมาช่วยกันขนของขึ้นรถไฟรถไฟมันก็มีเวลาออกที่แน่นอนแปลว่าวันนั้นเนี่ย สมจิตจงจอหอขึ้นชกยังจําสมจิตได้ไันะ้ยนักชกเลนททางโอลิมปิก่ายทอดสดนะเราก็เด็กสองคนเป็นผู้ชายหายแบบไปเลยนะไปดูโทรทัศน์ร้านกาแฟข้างสถานีปล่อยให้เด็กผู้หญิงขนของคนเดียว เด็กคนนี้แกก็คนของนะก็คนของด้วยความตั้งใจพิธีกรก็แปลกใจก็เลยไปถามว่าคิดยังไงที่เพื่อนเขาแวะไปดูสมจิตชกปล่อยให้หนูทําคนเดียวพิธีกรก็ เ, เดยกก็บอกว่าหนูก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ชอบสมไม่ได้เป็นแฟนมวยสองคนเนี่ยเขาเป็นแฟนสมจิตนะนานๆจะได้เห็นสมจิตขึ้นชก นะเขาก็เลยไปดูหนูไม่ได้สนใจหนูก็เลยทํางนานของหนูไปพิธีกรก็ยังไม่พอใจคําตอบนะ mm hmm. ก็เลยถามยายแล้วหนูไม่โกรธหรือไม่คิดจะด่าว่าเขาเหรอที่เขาทิ้งงานให้หนูทําคนเดียวเธอตอบดีเธอตอบว่าหนูคนข อ, ของคือรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกวดไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างนะเป็นเราเราจะเหนื่อยกี่อย่างนะถ้านะเด็กฉลาดนะเด็กรู้เลยว่า ถ้าคนของคือรไฟเหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายแต่ถ้าไปบวนไปด่าว่าสองคนนั้นเนี่ยเหนื่อยสองอย่างคือเหนื่อยกายและเหนื่อยใจเด็กคนนี้ฉลาดเพราะที่จะรู้ว่าถ้าจะเหนื่อยนะขอให้เหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายแล้วจะเหนื่อยกายได้ไงเหนื่อยกายได้โดยที่เอาใจเนี่ยมาอยู่กับงานเขาจะหลอยเขาจะโดดเขาจะทิ้งงานยังไงนะก็ไม่ไปใส่ใจ อันนี้เราอยู่กับปัจจุบันนะไอ้ถ้าไปอยู่กับเอาใจไปจดจ่ออยู่ไอ้สองคนนั้นเนี่ยนะแล้วก็แข่งชักหักกระดูกเนี่ยนั่นนี่เลาใจไม่อยู่กับปัจจุบันและเป็นใจทุกข์แต่การที่มีเพื่อนทำอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็ควรจะมามาปรับฟังเข้าใจหรือมามาวิภาวิจารณ์กัน มาสัมปนากันอันนี้ก็ควรทงแต่ว่าระหว่างที่ทำงานก็ต้องวางาไว้ก่อนนะอยู่กับปัจจุบันนี้มีความหมายว่าอย่าเพิ่งไปสนใจว่างานมันจะออกมาอย่างไรเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จหลายคนมักจะคิดอย่างนี้ในใจทำรายงานทำวิทยานิพนธ์เมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จรู้หรือเปล่าว่าการคิดแบบนี้เนี่ยมันกำลังซ้าเติมตัวเองมันกลังทำให้ตัวเองเครียด เมื่ อ, อไรก็ตามที่เราทำแล้วใจเราบวนคิดอยู่แต่ถึงจุดหมายปลายทางหรือผลของงานเมื่อไหรจะเสร็จนั่นแหละคือเราไม่ได้อยู่ปัจจุบันนะนึกไปมันไม่ได้ช่วยเลยนะและทิดแบบนี้มันทําให้เราทุกเวลารถติดนะเวลาเราติดนี่นะจริงๆเราก็อยู่ในรถแอร์ใช่ไหมเปิดเพลงฟังดีๆแต่ทํำไมลมมันเย็นฮะทำไมลมเจินเราตกพราะเราคิดไปถึงจุดหมายปลายทางนะว่า ผมติดแบบ น, นี้สงสัยไปถึงที่หมายช้าเดี๋ยวก็ประชุมไม่ทันเดี๋ยวก็ส่งลูกสายเดี๋ยวก็ผิดนัดตกเครื่องบินยังไม่เกิดขึ้นเลยนะมันโนไปละแล้วเป็นไงเครียดร้อนหจะตกเครื่องบินแล้วเนี่ยนะหัวติดอย่างนี้อีกสิบนาทีนี่สายตกเครื่องบินหน้าเลยยังไม่ตกเลยนะแต่ว่าใจเนี่ยมันตกไปแล้วจิตมันตกไปแล้วนี่เพราะอะไรเพราะใจมันอยู่กับปัจจุบัน ถ้าอยู่ปัจจุบันนะเออกลับมาตามลมหายใจเข้าออกเข้าออกนะรถติดแต่จิตไม่ตกเพราะว่าจิตมาอยู่กับปัจจุบันนี่คือวิธีเดียวกันกับการทำงานเวลาทำงานเนี่ยมันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ช่างมันขอให้ทำปัจจุบันที่ดีที่สุดนะมันจะออกมาเป็นยังไงเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้ทำไม่ดีที่สุด เพราะเราไปห่วงบันแค่ไหนมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้งานมันดีขึ้นกับทำให้แย่ลงเพราะทำให้เรากังวลคนที่เข้าห้องสอบนะคิดแต่ว่าสอบนี่จะได้คะแนนเท่าไหร่นะวิชานี่สมองจะบล็อกเลยจะเกรงตมาเจอาแล้วเคยเจอด้วยตัวเองพอมาคิดว่าเนี่ยวิชานี้เนี่ยถ้าสอบเราจะจะไม่ได้จะไม่ดีนะหรือจะจะแย่นะมันกังวลขึ้นมานะ สติปัญญามันถูกสกัดเลยแต่ถ้าเราลืมนะไม่สนใจว่าคะแนนมันจะออกมาเป็นยังไงทำงานไม่สนใจผลไม่ออกาเป็นยังไงอยู่กับงานที่ทำคุณจะพบว่าคุณจะมีสมาธิแล้วมันก็จะสมองก็จะโฟลไหลออกมาเรื่อยๆเพอๆทำแล้วเพลินแต่อย่างน้นอยๆเนี่ยอันที่สองก็คือว่ามันทำให้เครียดน้อยลงมันมี นักปีนเขาคนหนึ่งนะชื่อ b ร u สเคิบี้คนนี้เนะี่ปีนเขาที่สูงที่สุดในโลกมาลาทุกทวีดรวมนักเอเวอเรสต์ปีนมา20 30ปีแล้วมนะั้งแกสรุปบทเรียนจากการปีนเขาว่าทุกอย่างดูน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลเวลาจะปีนให้ถึงยอดเนี่ยถ้านึกถึงยอดนะขณะที่ตัวอยู่เชิงเขาเนะี่ยมันจะท้อเลย ต้อสูงไกลอีกกี่เดือนจะถึงอันตรายแต่เพราะวิธีปีนเขาที่ง่ายสุดนะคือว่าอย่าไปสนใจยอดเขาสนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวถ้าคุณเดินไม่อยู่นั่งถึงแน่ใช่ไหมง่ายมากเลยนะสนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวอย่าไปคิดถึงก้าวที่หนึ่งแสนข้างบน เพราะคุณคิดแล้วคุณก็ณจะพอโหนี่เพิ่งเดินได้แค่สิเก้าองแต่ถ้าคุณสนใจนะทีละเก้าทีละ้าอัตมาพาคนเดินธรรมยาราทุกปีเนี่ยประมาณร้อยกิโเมตรในเวลาเจวันก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะแต่สําหรับคนเมืองเป็นเรื่องที่ยากก็จะมีคำขวัญอยู่อย่างหนึ่งเป็นการเตือนใจจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับปัจจุบันนะ น, นี้คือศรริลปะในการเดินทางไกลและเป็นศรริลปะเดียวกับการทำงานที่ยาก จุดหมายอยู่ไกลใจอยู่ปัจจุบันนะลืมจุดหมายไว้ก่อนใจอยู่กับปัจจุบันมือก็ที่บรุษเค้ามีเขาเวลาเขาจะปีนเขาเขาไม่สนใจยอดเขาเขาแค่สนใจพื้นดินที่ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวแต่จะทําอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องวางแผนนะคุณต้องมั่นใจว่าทางที่เดินเนี่ยมันพาไปถึงยอดอันนี้ต้องวางแผนการวางแผนเป็นสิ่งสําคัญทํางานก็ต้องวางแผนเช่น <Workers> งานนี 2, 2 variety, 2้ใช้เวลาสามเดือนเสร็จคุณก็ต้องคิดแล้วว่า1เดือนแรกจะทําให้ได้แค่ไหนสองเดือนเดือนที่สองจะทําแค่ไหนสองเดือนที่สามจะเสร็จอย่างไรแล้วคุณก็ซอยมาว่าเดือนที่หนึ่งเนี่ยอาทิตย์แรกทําอะไรที่สองอาทิตย์แรกทําอะไรที่สามอาทิตย์แรกทําอะไรที่สีอาที่ย์แทําคุณซอยไทีละเล็กทีละน้อยทีละน้อยแล้วคุณก็ซอยต่อไปว่าอาทิตย์แรกเนี่ยวันจันทร์จะทําอะไรซอยต่อไปว่าเช้าทําอะไรบ่ายทําอะไร เวลาถึงมันจันนะคุณก็แค่สนใจแค่ตอนเช้าว่าคุณจะทำอะไรแค่ไหนทําไม่ได้ตามเป้าพอถึงตอนบ่ายคุณก็สนใจีฉพอตอนบ่ายทําไม่ได้แค่นั้นแล้วคุณจะสบายคุณจะหายเครียดนะอีกก้อนใหญ่ๆเนี่ยอีก90ก้อนนะหรือ99ก้อนเนี่ยมันจะไม่ไมเป็นภาระหนักอกหนักใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทันจะทําอะไรเลยนะคิดถึงงานอีกปีเ ก, ก้งานร้อก้อนเนี่ยคุณก็ท้อแล้วไม่ทันจะทำเลย และเพราคิดนั่นแหละทำให้ไม่อยากจะทํามันท้อตั้งแต่แรก <Okay. S 1> แล้วการซอยงานเนี่ยนะมันทําให้เราอยู่กับปัจจุบันเวลาคุณทํางานวันจันทร์คุณใจคุณก็อยู่กับวันจันทร์เวลาคุณอยู่ตอนเช้าคุณก็ใส่ใจกับตอนเช้าตอนบ่ายจะพิเศษอะไรเนี่ยคุณจะ่าพิ่ไปสนใจนะถ้าคุณวางแผนไว้ดีเนี่ยนะถึงตอนบ่ายเนี่ยมันก็จะพร้อมที่จะปเป็นพิเศษได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวว่าแต่งงานเลยนะ เวลากินของอร่อยๆเช่นพิซซ่าเนี่ยคุยังต้องซอยใช่ไต้องผ่าใช่ไมมีใครกินพิซซ่าหมดนะภายในภายในภายในคำเดียวต้องของอร่อยอย่างพิซซ่าหรือหรือขนมเค้กกูยังต้องซอยเป็นแปดส่วนหรือว่าสิบส่วนเลยและแต่ละส่วนคุณเนี่ยคุณก็ต้องกินทีละคาใช่ไคุณไม่สามารถจะจักเข้าไปทั้งปากได้ใช่ไห ขนาดของของที่อร่อยเนี่ยคุณยังกินทีละคำเลยมันมีคำพูดเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะอันนี้เป็นศิลปะการทํา ง, งานซึ่งมันคือการอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละนะให้คำว่าอยู่กับปัจจุบันมันมีความหมายที่ที่กว้างแล้วก็อแตกต่างอย่างที่เราเข้าใจนะ ฮแล้วถ้าเราถ้าเราวางจิตวางใจแบบนี้ได้เนี่ยนะการทำงานจะจะสนุกมากขึ้นหรือว่าเครียดน้อยลงประการที่สองนะคือว่าการมองในแง่บวกให้มากขึ้นนะมองบวกเนี่ยไม่ได้แปลว่ามองว่าอนาคตจะสดใสนะงานจะสำเร็จ นะชดช่วงชัชวาลมองบวกข้อตำนานี้ไม่ได้หมายถึงมองอนาคตนะแต่หมายหมายถึงมองสิ่งที่กาลังทําอยู่ในปัจจุบันนะมองบวกหมายความว่ามองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรากําลังทําสิ่งที่เรากาลังเจอเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะนี่คือความหมายหนึ่ง เช่นคาวิจารณ์หลายคนทํางานเนี่ยเป็นทุกข์มาเพราะควิจารณ์อันนี้พอเรามองคําวิจารณ์ในแง่ลบเราเรามองคําวิจารณ์ในแง่บวกดูบ้างว่าเออมันเป็นการเปิดโอกาสให้เราเห็นสิ่งที่ควรแก้ไขมันทำให้เราได้พัฒนางานที่ดีขึ้นนะ เจาของเมงโบราณนะคุณเล็กวิริยพันธ์เนี่ยซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนี่แกเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภิมงคลนะแปลว่าวันไหนถูกตําหนิวันนั้นเป็นมงคลใช่ไหมฮะไม่ใช่วันซวยเพราะอะไรเพราะคาตําหนิมันทําให้เห็นว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างคําตําหนิมันทาให้ลดอัตราตัวตนอย่างไรบ้างใช่ไหมฮเพราะถ้าไม่มีคําตําหนิเลยก็จะเกิดความหลงตัวลืมตัวนง่ายๆแล้วไม่รู้ตัวเอง ม, ม, มีอะไรผิดพลาดบ้าง มองคำำําตําหนิหรือคําตอว่าด่าทอในบวกในมุมบวกบ้างนะว่ามันให้ประโยชน์กับเราอย่างไรอราจมาเปรียบเหมือนกับอันที่เราถึงเรื่องความล้มเหลวนี่นะเหมือนกับทุเรียนทุเรียนในหนามมันแหลมถูกแล้วเจ็บใช่ไหมถ้าเรากอะทุเรียนเอาไว้หรือถ้าเราถูกทุเรียนนี่นะมันเจ็บ หลายคนพอเจอหนามทุเรียนทิ่มก็โกรธเกลียดทุเรียนแต่ควรหรือเปล่านะที่จะโยนทุเรียนทิง้งแต่ไหมฉลาดไหมถ้าโยนทุเรียนทิง้งเพียงเพราะว่าหนามมันแหลมอะ่ะไม่ฉลาดนะเพราะอะไรเพราะในทุเรียนเนี่ยมันมีของดีอยู่ใช่ไหมก็คืออะไรคือเนื้อที่หวานและหอมบางคนอาจจะว่าเหม็นนะแต่ว่าเอาว่าหอมแล้วหวานแล้วกัน ถ้าเราทิ้งทุเรียนไปเลยหรือว่าด่ามันไอ้ทุเรียนอะไ ย, ยำ้ำใช่ไหมแทงแทงกรูจนเจ็บใช่ไหมเราก็โง่เท่านั้นอะ่ะเพราะว่าในทุเรียนเนี่ยถ้าเราผ่าเอาเปลือกมันออกมันจะมีของดีให้เรากินความวิจยัยก็เหมือนกันนะฮะลองมองว่ามันเป็นมันเหมือนทุเรียนดูบ้างลองหาว่ามันมีข้อดีอะไรบ้าง มันต้องมีข้อดีอย่างน้อยนะอย่างน้อยๆเนี่ยนะก็ห้าเปอร์เซ็นตอาจจะมากกว่านั้นได้ซ้ำที่วัดทำกองเพลงของหลวงปู่ขาวสมัยที่หลวงปู่ขาวยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีสาเป็นคนที่อุปถัมภ์พระเนนดีมากแล้วก็ใส่ใจการปฏิบัติธรรมต้นหลวงปู่ขาวชม วั น, นลูกค้าเนี่ยก็สั่งให้ลูกศิษสองรูปเนี่ยนะท่านหนึ่งคือพระอาจารย์จวนกเกลเชตโถไปดุดาแม่ชีสาทั้งสองท่านก็ไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์สั่งทำไมนะแต่สั่งแล้วก็ต้องทําไปที่กุฏิแม่ชีสาแล้วก็ดา่ดาดา่าด่านี่สาที่แล้วก็งงนะแต่ว่าก็พนมมือฟังคาําด่าทั้งสองท่านดา่าจนไม่รู้จะด่าอะไรแล้วก็หยุดแม่ชีสาแทานที่จะโกรธ อารย์ที่น้อยใจว่าโอเราอุตส่าห์ทำดีทําไมครูบาอาจารย์ด่าเราแบบนี้แล้วเกิดคนอื่นเขารู้เนี่ยเราจะเอาหน้าไปมดุดไว้ที่ไหนไม่มีแบบนี้เลยนะแม่ชีสารเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าท่านอาจารย์ดูด่าดิฉันเสร็จหมดแล้วเหรอดิฉันฟังแล้วเนี่ยซาบซึ้งใจเหลือเกินที่ท่านด่านี่มีแต่ธรรมะทั้งนั้นเลยคราวหน้านี่มันดูดายนะมันจะช่วยทําให้ดิฉันหมดกิเลส คือก็มองว่าคำดาเนี่ยเป็นช่วยขูดกิเลสออกไปนะเนี่ยคือมองแง่บวกคืนนี้ไงคือมองว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะคว า, ามล้มเหลวมีประโยชน์อย่างไรนะมันก็เป็นครูะนะผิดเป็นครูไม่มีใครที่ไม่เคยล้มเหลวแต่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็เพราะว่าเขาเอา ความร่หลือเป็นครูใช่ไหมฮะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะชื่อออสโบร์อัลเวรี่ถ้าแกไม่ตายแกคงได้รับรองโนเบลเมื่อสักเกือบร้อยปีที่แล้วเพราะว่าแกป็นคค้นพบว่าหวัดไข้หวัดใหญ่ที่มันระบาดไปทั่วโลกเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยใน อเมริกาเหนือที่แคล้ววัดสเปนเนี่ยนะที่จริงมันมาจากอเมริกามันระบาดในสงครามโลกัที่หนึ่งนะแล้วก็ไปถึงฮ่องกงเนี่ยนะคนตายไปห้าสิบล้านคนหรืออาจจะถึงร้อยล้านคนเมื่อร้อยปีที่แล้กวกคดีเนี่ยนะแต่พบ ว, ว่ามันไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียที่แล้วนึกว่ามันเป็นมันเป็นตระกูลเดียวกับแบคทีเรียที่ทำให้เป็นโรคปอดบวมไม่ใช่เลยมันเกิดจากไวรัสซึ่งเป็นตัวเล็กมาก สมัยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่พัฒนามากพอที่ทจะเห็นตัวไวรัสแต่แกใช้เวลาถึงนะสามสิบปีนะสิบกว่าปีนะในการที่พิสูจน์ว่ามันเกิดจากไวรัสตัวดเว่าสิบกบปีที่แกล้มเหลวตลอดแต่แกไม่ท้อนะแกเคยพูดว่าคนเราเน่ยเมื่อล้มแล้วเนี่ยต้องหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างก่อนจะลุกขึ้น ลุกภาพออกไหมฮะเวลาล้มเนี่ยนะอย่าลุกขึ้นม า, าเปล่าๆแต่ลุกมาก็ยังดีบางคนไม่ลุกเลยนะบางคนถามว่าลุกทำไมก็ถ้าลุกแล้วเดี๋ยวก็ล้มอีกนะเพราะฉะนั้ น, นอนตรงนั้นแหละหลายคนคิดแบบนี้นะลุกไปทำไมนะก็เหตุผลเดียวกับว่าถ้ า, อ, าอืดแล้วเนี่ยนะจะล้างก้นทาไมเพราะเดี๋ยวก็ต้องอืดอี ก, ก น, นะหลัากการที่ถูกไหม ไม่ได้เรื่องเลยนะเป็นตา ก, กากาศเดียวกับเด็กวัยรุ่นที่พ่อแม่บอกว่าให้ hey, เจ็บที่นอนนะเด็กบอกเก็บทําไม mm hmm. เดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็นั่นก็โรคใหม่ใช่ไม่มเพราะนั่นก็ป่วยแงั้นนะ่ะนั่นตากากาศเดียวกันนะกับการว่าอืดแล้วไม่ต้องไม่ต้องล้างก้นหรอกพอาเดี๋ยวมันก็ต้องอืใหม่แต่ไม่มีใครนะที่จะใช้ตากากาศนี้กับการล้างก้นเนะพราะถ้าอืดก็ต้องล้างใช่ไหมแต่เวลาเจ็บที่นอนเนี่ยวัยรุ่นบอก ไม่ต้องเจ็บหรอกเพราะเดี๋ยววัดลุ่ขึ้นมันก็ลบใหม่หนุ่มๆฟังไว้นะว <c oughs> <c oughs> อสซาวรีบอกว่าเมือ่อเมื่อล้มไปแล้วเนี่ยก่อนจะลุกขึ้นมาดิบอะไรขึ้นมาสักอย่างอย่าล้มฟรีๆอย่าอย่าล้มเหลวฟรีๆอันนี้ธรรมาเชื่อรวมไปถึงความทุกข์ด้วยนะเมือ่อเราคุณทุกข์แล้วเนี่ยคุณอย่าทุกข์ฟรีๆส่วนอย่าทุกข์ฟรีๆนะี่แหะ แถมซ้าเติมตัวเองนะเงินหายฉันที่จะหายแต่เงินนะใจก็หายคือใจเสียสุขภาพก็เสียเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะหลายคนถูกโกงนะเสียทั้งเงินใจก็เสียสุขภาพก็แย่กินไม่ได้นอนไม่หลับงานการก็ทําไม่ได้อาแต่กุ้ม อ, อกกุมใจเสียงานอีกเสียเพื่อนอีกนะตามมาเพราะว่าบุญยินระด่าพเพื่อนทะเลาะ ก, กับเพื่อน หลายคนเนี่ยซ้ำเติมตัวเองนะเพราะว่าวางใจไม่เป็นอันนี้เรียกว่าคุกฟรีฟรีหรือว่าซ้ำเติมตัวเองนิซ้ำท่าคนเราเวลาล้มแล้วเนี่ยอย่าอย่าอย่าเคียงแค่ลุกขึ้นมาเท่านั้นต้องมีอะไรสักอย่างติดมืออันนี้ก็คือหาบทเรียนจากความล้มเหลวนี่คืองานมองแง่บวกมองว่าความล้มเหลวเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างอุปสรรคมีข้อดีอะไรบ้าง คุณี่สุทธิุณวรรักษ์นะแกเป็นแกเป็นอะไรแกเป็นผู้รู้ทางด้านเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยนะใช่ไหมเมเจอร์อะไรต่างๆนี่ของแกแกพู้ดีนะ่าังใจบอกว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนี่ยนะแกบอลเนี่ยชีวิตแกเนี่ยผ่านการตัดสินใจที่ผิดพลาดมาหลายครั้ง แะหลายครั้งแกก็ยกตัวกูไม่น่าเลยคือไม่น่าตัดสินใจแบบนั้นเลยแต่แกพบ ว, ว่าไอสิ่งที่เรียกว่าตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยมันมักจะนําไปสู่สิ่งดีๆที่ทําให้เห็นว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหลายคนอาจจะเสียใจว่าโอ้กูไม่น่าเลยตัดสินใจแบบนี้เสร็จ แ, แล้วก็เลยไม่ไปไหนแต่ว่าคนที่ฉลาดเนี่ย การตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่ละครั้งเนี่ยมันสามารถจะนําไปสู่สิ่งดีๆที่ทําให้กลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไปได้ความล้มเหลวคือสะพานที่นําไปสู่ความสําเร็จนะเพราะว่าเมื่อล้มเหลวทําให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นก็ทําให้ประสบความสําเร็จมีคนพูดว่าเนี่ยความผิดพลาดมีสองชนิดนะผิดพลาดที่เป็นโทษกับผิดพลาดที่เป็นคุณผิดพลาดที่เป็นโทษคือผิดแล้วไม่ได้อะไรเลย ที่ว่าไม่ได้เลยเนะเพราะมันไม่ใช่ไม่มีอะไรให้นะมันมีแต่ว่าไม่มองไม่เรียนรู้ผิดพลาดที่สองคือผิดพลาดที่เป็นคณก็คือว่าผิดพลาดแล้วเนี่ยได้ประโยชน์จากมันแล้วเอามาแก้ไขเอามาปรับปรุงทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นตามมานี่คือความหมายของคำ ว, ว่ามองแง่บวกนะแค่ความหมายเดียวนะคือมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนที่เราดูแย่ๆมันมีข้อดีอะไรบ้าง อีกความหมายหนึ่งหมายความว่าไม่มองแต่สิ่งที่เสียไม่มองแต่สิ่งที่แย่นะเพราะว่าไอสิ่งที่มันอยู่แวดล้อมที่แวดล้อมสิ่งที่แย่สิ่งที่เสียเนี่ยก็คือสิ่งที่ดีๆมีครูคนนึงเนี่ยแกครูปฐมเนี่ยนะชูกระดาษแผ่นทำนองนี้ขึ้นมาถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไร เรียบอกเห็นกากระบาดครับสีดํานะอันนี้สมมติสีดํานะครูถามตอบว่านักเรียนไม่เห็นอะไรอีกอย่างอื่นอีกเหรอเห็นอะไรนะฮะนักเรียนบอกไม่เห็นเลยครับครูเลยถามว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาของกระดาษเหรอเห็นไหมเห็นชัดไหมแต่หลายคนทีแรกมองไม่เห็นเพราะเห็นแต่กากระบาดเห็นแต่การะบาดคือมองแง่ลบ เห็นสีขางกระดาษคือมองแง่บวกหมายความว่าในกระดาษแผ่นนี้มันมีทั้งลบและบวกนะแต่บางครั้งเนี่ยไอ้บวกเนี่ยแม้มันจะมากกว่าแม้มันจะมีพื้นที่มากกว่ากากบาทนะแต่ว่ามันมันชัดเจนจนมองไม่เห็นหลายคนเนี่ยเป็นเพราะมองแง่ลบจึงไม่เห็นสีขางกระดาษนะต่ายุตัอย่างเป็นรูปธรรมหน่อยนะ ซิโกโก้รู้จากซิโกโก้เปเกย์สาวเซนาเมืองเป็นก่อนที่จะเป็นโค้ชทีมชาติไทยก็เคยเป็นกัปตันทีมชาติไทยเมื่อ20ปีที่แล้วตอนลังก็ไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่มาเลสิงคโปร์เวียดนามก็พาสโมสรของตัวเองได้แชมป์ไปหลายครั้งตอนลังทีมอังกฤษก็มาซื้อตัวซิโกโก้ไป เมื่อสัก 16, 1ห1ส็ดบปปีก่อนก็เป็นข่าวใหญ่นะคนไทยก็ตื่นเต้นดีใจจะได้เห็นนักฟุตบอลไทยเนี่ยลงสนามในนามสโมสร อ, อังกฤษซิกโก้ก็ดีใจเพราะนี่คือความฝันของเขาแต่พอไปถึงอังกฤษแล้วเนี่ยบอกกว่าไม่เคยได้ลงสนามเลยได้แต่นั่งอยู่ข้างสนามในคณะตัวสำรอง จนจบฤดู ก, การนะฮะชิโก้ผิดหวังมากแกบอกปวดหัวบางทีน้องไม่หลับเพราะรู้สึกไปแบกความหวังของประชาชนไทยไว้ด้วยชิโก้รูสึกว่าการกปลีกิจครั้งนั้นเนี่ยล้มเหลวเสียเวลาแต่หลายปีต่อมาเมื่อมีคนถามเหตุการณ์ครั้งนั้นแกยิ้มัวเราะแ้บอกมันไม่มีอะไรเลยเพียงแต่เรามองไม่เห็นเรามองไม่ออก แล้วแกก็อธิบายว่าแองกฤษข้างนั้นมีแต่ได้กับได้หนึ่งได้บ้านสองได้รถนะสามได้พัฒนาทักษะสีได้ภาษาห้าได้พัฒนามุมมองใหม่ใหม่หกได้เห็นคนพบผู้คนมากมายเจ็ดได้เดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆเยอะแยะแปดได้สัมผัสสีสันที่เด็กที่มีสิทธิสุดอังกฤษเสียงเดียวคือไม่ได้เล่นแต่ตอนนั้นเนี่ยเห็นแต่เสียเข้าใจไหม ตอนนั้นไม่เห็นสิ่งที่ได้เลยใช้เวลาหลายปีจนเห็นว่าได้อะไรไเสียกับได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะแต่แกเห็นอย่างเดียวคือเสียมองแง่บอคือว่ามองว่ามีอะไรที่ได้บ้างเวลาทำงานเนี่ยนะต้องมองแบบนี้บ้างไม่ใช่เห็นแต่เห็นแต่ลบเห็นแต่ความล้มเหลวเห็นแต่โทรัรค เห็นในความยากลำบากแต่สิ่งที่คุณควรจะมอยให้เห็นนะคือว่ามันให้อะไรกับคุณประสบการณ์ทำให้ได้เพื่อนเติมเต็มตัวตนหรือว่าเติมเต็มจิตใจนะทำให้ได้พัฒนาทักษะคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นฮนะมองไม่เห็นก็เลยรู้สึกแย่กับตัวเองเรื่องนี้ก็มี เหตุการณ์คล้ายๆกันนะอาจารย์พรมวังโสเนี่ยเป็นพระชาวอังกฤษแล้วตอลังไปสร้างวัดที่ประเทศออสเตรเลียเดินมาอยู่ปฏิบัติกรุงพ่อชาอยู่ภาคใหญ่เนีเป็นลูกศิษย์ของพ่อชาสำนักมังกงตอนไปสร้างวัดที่ออสเตรเลียที่นั่นเนี่ยพระต้องทําอะไรทุกอย่างเมื่อจะสร้างวัดก็ต้องมีการสร้างกำแพงอาจารย์พรหมก็เป็นคนรับผิดชอบเรื่องการก่อกำแพงทําเองนะ ดัมพรมเป็นคนที่เป็นพวกเปอร์เฟคชันนิสต์เวลากรอกคำแพงก็จะ ก, ก่อให้วางอิฐอิฐละก้อนแต่ละก้อนเนี่ยให้มันให้มันได้เป็นแนวเป็นระดับนะไม่มีเกยกันนะมันต้องเป็นระดับเดียวกันเปียเลยทำอยู่นานจนเกือบจะเสร็จแล้วก็สังเกตว่ามันมีอีกสองก้อนที่มันไม่ค่อยได้ระดับกันนะ ท่านบอกอยากจะรื้อไปถามเจ้าว่าเจ้าว่าไม่ยอมให้รื้อท่านบอกขัดหูขัดตามากเลยไอ้สองก้อนเนี่ยเดินผ่านทีไรก็รู้สึกนะมันไม่สบายใจท่านบอกเนี่ยถ้าระเบิดได้่ก็จะระเบิดนะแต่เจ้าว่าบอกว่าดีแล้วทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านไอ้ไอ้แนวกำแพงนี้ก็จะรู้สึกหงุดหงิด แล้ววันนึงมีอคตุกะมาเยี่ยมวัดท่านก็พาพาชมวัดอคตุกะก็บอกว่ากําแพงนี่สวยนะท่านอาจารย์ผมไม่เชื่อหูนะก็เว่ามันจะสวยได้ยังไงคุณไม่เห็นลูกอีกสองก้อนเนี่ยชีย้ไปที่อีกสองก้อนเนี่ยอคตุกะบอกเห็นครับแต่อีกที่เหลือเนี่ยก็นแนละกรสุกแปดก้อนเนี่ยมันสวยนะครับอาจารย์ผมปิกเลยนะโอนี่เราโง่มาต้องนานนะ เราเห็นได้อีกสองก้อนเนี่ยเราไม่เคยที่จะมองอีกอ ก, อ ก, ก้อนละเก้าสิบแปก้อนที่เหลือเลยนะเข้าใจไหมฮะเนี่ยคือมองบวุบเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยเวลาแม้กระทั่งในการดมเลือชีวิตเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้ด้วยบางคนมองเห็นแต่เห็นแต่ทุกข์ไม่เห็นสุขเลยอาตมาเคยให้เคยทำกิจกรรมนะให้ให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยลองทบทวนชีวิตผ่านมาในรอบสิบปีให้คะแนนความสุขและความทุกข์หลายคนบอกเห็นแต่ทุกข์อ่ะ ไม่เห็นสุขเลยอาตมาไม่เชื่อคุณต้องมีนะคุณมองไม่เห็นเองนะก็ก็แนะนำเขาจนนักเข็น เ, เ, นเออมันก็มีความสุขอยู่นะคนที่มองแต่ลบเนี่ยเมื่อมองชีวิตของตัวเองจะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่เรื่องแย่แต่ถ้าคุณลองเปิดใจให้เป็นบวกดูบ้างคุณจะเห็นว่ามันมีนมเรื่องดีๆเกิดขึ้นอยู่งานก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามที่จะ ลองมองเปิดใจดูว่ า, วางานของเราเนี่ยมันมีบวกยังไงบ้างและไม่ใช่มองเฉพาะงานของเรามองงานคนอื่นด้วยหลายคนเนี่ยมักจะตาหนิเพื่อนทั้งตาหนินิ ส, ยสัยส่วนตัวบ้างเรื่องการทำงานบ้างแต่ส่วนใหญ่นะเป็นเพราะมองแต่ลบลองมองบวกดูอาจจะพบว่าเขาเป็นคนน่ารักกว่าที่เราคิด อันเนี้ยนะเป็นเป็นสิ่งที่มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานอย่งมีความสุขมากขึ้นหลายคนเนี่ยเก่งในการวิจารณ์เพื่อนนะวิจารณ์งานของเพื่อนแต่พอแน่ให้ชมนะพูดไม่ออกถามว่าทำไมไม่ออกมองไม่เห็นที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าเขาไม่มีนะแต่ว่าเป็นเพราะเราเนี่ยนะ เก่งแต่การมองในลบมองด้านลบเอาธมาแนะนําหลายคนนะเวลาแบบประเภทที่ชอบวิจารณเพื่อนนี่นะแนะนําว่าก่อนจะที่วิจารณเพื่อนต้องชมสักสองอย่างชมก่อนถ้าชมไม่ออกก็อย่าวิจารณหลายคนเลยไม่ได้วิจารณเลยเพราะว่ามองหาข้อดีไม่ออกไม่ใช่เขาไม่มีนะแต่มองไม่เป็นไงเพราะจิตเนี่ยมันเพ่งแต่ไอ้สิ่งที่เป็นลบ อันนี้เป็นการดัดนิสัยนะดัดนิสัยที่ชอบวิจารเนี่ยนะถ้าหมอไม่เห็นข้อดีก็จะไปวิจารณ์ถ้าอยากวิจาร์ก็ต้องหาข้อดีให้ได้บางคนนี่อยากจะวิจารณ ม, มันก็ต้องหาข้อดีจนได้แต่พออยากวิจารณ์เนี่ยใช่ไหมก็เลยต้องหาข้อดีจนได้อย่างร้อยสองข้อถึงจะวิจารได้หนึ่งข้อหัวหน้า ง, งานเอาไปใช้มันก็ดีนะสําหรับลูกน้องบางคนที่วิจารณ์อย่างเดียวอะนะใช้กับตัวเองก็ได้นะถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยนะ วิจารณ์คนแหลกลานเนี่ยนะลองฝึกตัวงว่าเออฉันจะก่อนที่จะวิจารเนี่ยฉันต้องหาข้อดีที่จะชมให้ได้น้อยสองถึงจะวิจารหนึ่ง mm hmm. ประการที่สามนะคือการจะเรียกว่าการมีสตินะการมีสติรู้ใจตัวเอง ปัญหาของการทํา ง, งานทุกวันเนี่ยเป็นเพราะเครียดและความเครียดส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราวางใจไม่ถูกเกิดจากการที่เราไปมองลบเกิดจากการที่เราไปเปรียบเทียบเกิดจากการที่เราไปมโนโปรุงแต่งเชตวันผู้ม า, มาสองข้อมันจะได้ผลเนี่ยเราต้องมีสตินะฮะสตรริรู้ใจตัวเองเวลาเครียดก็ให้รู้ด้วยว่ากำลังเครียดสําคัญมากนะฮะความเครียดเนี่ยนะ หลายคนมั่งมอลมันไม่ดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความเครียดจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรถ้าเราวางใจหรือเกี่ยวข้องมไม่ถูกเนี่ยเครียดนี้ไม่ดีนะฮะทุกวันนี้เนี่ยความเครียดเป็นปัญหาใหญ่ของผู้คนในอังกฤษเนี่ยวันวันที่คนเนี่ยลา ง, งานเนี่ยเพราะเจ็บป่วยเนี่ยนะ เกือบครึ่งนะเกี่ยวข้องกับความเครียดเกือบครึ่งนะั่นคือสี่สาเอร์เซที่ลา ง, งานนะเพราะเจ็บป่วยเนี่ยนะถ้าลางงานพระไปเที่ยวอันนี้อีกเรื่องนะลา ง, งานพรเจ็บป่วยเนี่ยเกือบสี่สี่สาเอร์เซนี่ยเพราะเครียดในในในยุโรอเมริกาเนี่ยคนที่ความเจ็บป่วยที่พาคนไปหาแพทย์แพทย์เฉพาะทางแพท ย, แพทย์แพทย์ที่เป็น general แพทย์ประจำบ้านนะฮะแพทย์ประจำครอบครัวเนี่ยห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าปอร์เซ็นของความเจ็บป่วยนั้นเกี่ยวกับความเครียดความเครียดตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่มากแต่ความเครียดเนี่ยมันไม่ใช่เลวร้ายไปหมดนะฮะความเครียดเนี่ยมันสามารถจะเป็นคุณได้เป็นของดีได้ มันจะดีหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่เรานะฮะว่าเรามองมันอย่างไรเคยมีทฤษฎีนึงอธิบายว่าคนเราต้องมีความเครียดพอประมาณการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้การทํางานเนี่ยถ้ามันมีความเครียดอยู่บ้างพอประมาณเพื่อแบบพอ m o เด r a t e การทํางานจะประสบความสําเร็จเช่นต้องมีแข่งขันกันบ้างใช่ไหมฮะต้องมีอุปสรรคบ้างเนี่ยงานถึงจะออกมาดีถ้าไม่มีการแข่งขันกันเลยนะมันก็งานออกมาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ เราก็เห็นว่การแข่งขันมันทําให้คนเนี่ยต้องพัฒนาตนโอลิมปิกที่ผ่านมาก็เช่นว่าถ้ามันแข่งขันกันเยอะเนี่ยการพัฒนาความสามารถสมรรถนะเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นสูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเครียดจะมีคุณหรือโทษเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับของความเครียดแต่ขึ้นอยู่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรอันนี้เป็นเป็นการวิจัยล่าสุดนะฮะซึ่งน่าสนใจมาก เขาในเมื่อประมาณปี2551เนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ อ, อเมริกามีโลมีธนาคารนเนี่ยปั่นป่วนมากเลยแล้ววิจัยนะหมายเลงหนึ่งนะเอาพนักงานธนาคารอย่างนั้นจำนวน400คนมาแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ดูคลิปวิดีโอว่าความเครียดเป็นโทษอย่างไรบ้างอันตรายต่อร่างกายอย่างไรบ้าง อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยพูดถึงว่าความเครียดนี่นะมันสามารถจะเพิ่มสมรรถนะในการทำงานให้คนเราอีกกลุ่มหนึ่งนะไม่ต้องดูอะไรเลยนะแล้วก็สองสามสองสามเดือนต่อมาเนี่ยหรือสองสามอาทิตย์ต่อมาเนี่ยเขาก็ไปติดตามผลว่าสองกลุ่มสามกลุ่มนี้เป็นอย่างไร เพว ก, กลุ่มที่สเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ดูคลิปวิดีโอหรือการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องว่าความเครียดมีประโยชน์อย่างไรในการทํางานเนี่ยหนึ่งมีสมาธิดีขึ้นมีใจจดจ่อมากขึ้นมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาสุขภาพน้อยน้อยลง น, น้อยลงกว่าเดิมส่วนกลุ่มหนึ่กลุ่มสามเนี่ยไม่มีความเปลี่ยนแปลงอีกมหาลัยหนึ่งนะเขาทําวิจัยทดลองกับนักศึกษาแนละ้ว นักศึกษาปริญญานักศึกษาปริญญาตรีเพื่อทเพื่อเตรียมสอบเข้ารับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทแบ่งเป็สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะบอกว่าเนี่ยความเครียดมันไม่ดีอะไงบ้างไอ้กลุ่มที่สองเนี่ยบอกว่าความเครียดเป็นเรื่องธรรมดาในเวลาสอบไอ้กลุ่มหนึ่งเนี่ยได้การบรรยายเล็กช่วยว่าความเครียดในการสอบมันไม่ดีอะไงบ้างอีกกลุ่มหนึ่งความเครียดในระหว่างสอบเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็สามารถทําให้สอบได้ดีขึ้น หลังจากนั้นไม่นายเขาก็ดีการลองสอบลองสอบดูไอ้กลุ่มที่สองทำคะแนนได้ดีกว่ากลุ่มแรกกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เขาได้ฟังเกี่ยวเรื่องว่าความเครียดเป็นเรื่องธรรมดาลแล้วก็มีประโยชน์ในการสอบถึงเวลาสอบจริงนะไอ้กลุ่มที่สองก็ได้คะแนนดีกว่าและที่น่าสนใจคือว่าความเครียดของกลุ่มในกลุ่มสองไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยนะข้าน้ําลายของนักศึกษาเนี่ยไปหา ไปดูคือมันมีมันจะมีตัวตัวตัวฮอร์โมนที่มันจะบอกว่าฮอร์โมนเครียดนะ เ, เนี่ยนะโปรคอติซอะไรเนี่ยนะไอ้สองสองกลุ่มเนี่ยเครียดพอๆกันแต่ว่าไอ้กลุ่มสองเนี่ยเขารู้สึกดีกับความเครียดไงว่าความเครียดเนี่ยมันทําให้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันมีมันทําให้การสอบดีขึ้นอันนี้เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการวิจัยที่น่าสนใจที่เชื่อเลยนะ่ยว่า ความเครียดจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเรามองมันอย่างไรเรารู้สึกกับมันอย่างไรนะฮะและมีอีกงานหนึ่งนะเขาไปวิวจัยนี้เขาวิจัยยาวนะเมื่อประมาณสองห้าหนึ่งเ อ, อปีสองห้าสองห้าห้าสองสองห้าห้าห้าก็คือสี่ปีที่แล้วเนี่ย มันมีนักวิจัยชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปเอาผลการสํารวจของชาวอเมริกันทั้งประเทศจํานวนสามหมคนเกี่ยวกับสุขภาพนีมาดูแบบสอบถามที่จะถามว่าปีก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมีความเครียดแค่ไหนให้คะแนนความเครียดแล้วคุณรู้สึกกับความเครียดอย่างไรอันนี้คือการคือการสอบถามที่ทำขึ้นเมื่อปีพันเกร 1988ก9าร1 9ย8กาการก็คือ2541นะก็คือ1 3 3 4ปีที่ผ่านมาข้อผล ก, การสอบถามเมื่อปี1998กรเนี่ยนะมาดูและเขาตามเลยนะไอ้3า0 0 0คนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยกี่คนที่ตายไปแล้วตายเพราะอะไรแล้วก็พบว่าคนที่รู้สึกว่าความคนที่บอกว่าความคนที่รู้สึกว่ามีความเครียดมาก และรูสุดแย่ย่วความเครียดเนี่ยรู้สึกว่าความเครียดเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะตายก่อนวัยอันควร 4.3 40% 40% นะเมื่อเทียบว่าคนที่ไม่รู้สึกว่าความเครียดเป็นโทษเพรายพบว่าคนที่รู้สึกว่าความเครียดเนี่ยมันเป็นประโยชน์เนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนี่ยนะเมื่อเทียบกับคนที่ความเครียดน้อยกว่านะ แต่รู้สึกว่าความเครียดอันตรายเนี่ยอัตราการตายก่อนแรงควรไม่ได้ต่างกันเลยอันนี้มันเป็นงานวิจัยชิ้นใหม่ที่ชี้เห็นว่าความเครียดจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเรามองมันอย่างไรถ้าเรามองว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีถ้าเรามองว่ามันดีมันก็ดีเนี่อันนี้เป็นข่าวดีนะว่าเพราะนั้นเวลาเวลามีความเครียดในการทางานเนี่ยคุณ่ไปตกใจ มันจะเปคุณหรือโทษมันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณมองมันอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็พบ ว, ว่าทัศนคติของคนเราเนี่ยมันมีผลนะฮะต่อต่อต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายอันนี้พูดเสริมหน่อยก็เป็นงานวิจัยล่าสุดเนี่ยที่เขาทำที่หมหาวิทยาลัยเยลคณะแพทยศาสตร์ก็พบ ว, ว่าคนที่รู้สึกแย่ต่อความแก่นะเมื่อเวลาผ่านไปยี่สิบ้าปีเนี่ย จะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงกว่าคนที่ไม่รู้สึกลบต่อความแก่เขาสอบถามคนวีส40แล้วตาม25ปีให้หลังนะก็คือตอนวัย65เขาเช็คสมองสมองพวกสมองส่วนที่เป็นฮิปโปแคมปัสเนี่ยซึ่งเป็นสมองเกี่ยวความจำเนี่ยคนที่รู้สึกแย่ความเ็บเกี่ยวับความแก่เนี่ยมันจะมันจะมันจะมันจ ะ, นจ ะ, นจ ะ, นจะเล็กลงเนื้อสมองมันจะหายไปมากกว่าคนที่ไม่รู้สึกลบต่อความแก่ อันนี้มันก็ไปสอดคล้องกับการวิจัยก่อนหน้านี้ที่พบว่าคนที่รู้สึกแย่ต่อความแก่เนี่ยนะภายในเวลาสปีจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจนะมากกว่าคนที่รู้สึกไม่รู้สึกแย่ความแก่อันหลังนี่มันทํามานานทํามาได้หลายปีแล้วนะว่าท่านช่างกติงคนเราต่อความแก่มีผลต่อการเป็นโรคหัวใจแต่นี่ก็เพิพ่งพบว่ามันมีผลต่อการเป็นอัลไซเมอร์ด้วย แต่ว่าใช้เวลาน้อยกว่านะนหัวใจนี่ใช้เวลา40ปีเขาไปตามตเอาแซเมอร์ใช้เวลา25ปีตามตามผลมันน่าทึ่งมากนะว่าแค่ความรู้สึกนะแค่ทัศนคติเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพคนเราเพราะฉะนั้นเนี่ย้เรื่องใจสําคัญมากทีเดียวนะฮะมันมีผลต่อสุขภาพมากวันนี้เนี่ยอันนี้ก็โยนในเรื่องการทำ ง, งานนะวเวลาคุณเจอความเครียด น, นะในเมื่อความเครียดมันหนีไม่พ้นนะคุณ ลองมองว่า เ, เครียดก็เครียดไปเครียดเป็นธรรมดานะแล้วจริงๆแล้วเาพบว่ามันไม่ใช่ ม, มันมันมีเ้าพบว่าปฏิกิริยาในร่างกายคนเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกกับความเครียดต่างกันเนี่ยปฏิกิริยาในร่างกายก็จะแตกต่างกันไปด้วยน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการวางใจเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญและการมีสติจะช่วยทำให้เราวางใจได้ดี เมื่อมีความเคลืยอกิดขึ้นล้วก็รู้ทันมันไม่ต้องไปผักสายมันเออเครียดก็เครียดไปดูมันไปนะเดี๋ยวมันก็หายไปเองคราวนี้ที่พูดมาเนี่ยนะก็พูดในประเด็นว่างานได้ผลคนเป็นสุขนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าคนเป็นสุขเนี่ยนะมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับงานเท่านั้นนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องงานเท่านั้นนะ มันยัขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานด้วยอัตมาคิดว่าเวลาเราทำงานเนี่ยนอกจากเราจะมีท่าทีที่เป็นบวกต่อ ง, งานหรือวางใจให้ถูกกับงานแล้วเนี่ยการวางใจกับเพื่อนร่วมงานก็สำคัญเพราะว่าถ้าเราทำงานมีสมาธิกับงานดีมีความสุขกับงานแต่เรามีความสมาธ่แยกกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันก็ยากนะที่จะมีความสุขในการทางานได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอการสัมพันธ์กับผู้ลงงานเนี่ยมันก็ช่วยได้มันจะช่วยส่งผลต่อความสุขหรือความทุกข์อาตมาก็ได้พูดไปสักหน่อยนะว่าไอการมองการมองบวกนะในในเพื่อนโรง ง, งานในการทํา ง, งานของเขาเนี่ยมันช่วยได้เพราะถ้าเรามองบวกเนี่ยเราไม่มองลบหรือเรามองลบให้น้อยลงเนี่ยไอความสัมพันธ์มันจะดีขึ้น อันหนึ่งที่ช่วยได้คือคนเราเนี่ยมักจะมองว่าเพื่อนโรงงานเนี่ยบางทีเป็นคู่แข่งมีการเปรียบเทียบมีการแข่งขันกันอันตรมาคิดว่าถ้าเราแทนที่เราจะไปมองนึกถึงการแข่งขันกับเพื่อนเนี่ยเรามาสนใจที่จะแข่งขันกับงานดีกว่ามันมีมันมีเรื่องหนึ่งนะ เที่อเมริกาประมาณสิบปีที่แล้วเนี่ยอเมริกามันจะมีประเพณีอย่างหนึ่งก็คือการแข่งขันสะกดคําเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติเลยนะคนร่วมแข่งขันปีนึ่งเป็นหมื่นนะทั่วประเทศแข่งขันสะกด ค, คกําคํายากๆเนี่ยนะแล้วก็สะกดว่ามันไอคํายากเนี่มันสะกดว่า ง, ง่าอันนี้เป็นงานเป็นกิจกรรมระดับชาติแล้วก็ในรอบสุดท้ายเนี่ยจะมีคนวานสิบคนเนี่ยที่จะมา เขารอบสุดท้ายมีการแข่งมีการถ่ายทอดโทรทัศน์ทั่วประเทศมันมีตัวเต็งคนหนึ่งนะชื่อชื่อราชีฟกับซามีน่าสนใจนะพวกที่เข้าแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นพวกลูกครึ่งพวกอเมริกันแท้ๆเนี่ยไม่ค่อยสนใจนะแต่พวกลูกครึ่งเนี่ยจีนก็ดีแขกก็ดีเนี่ยมักจะอยู่แดนดับต้นๆ้นตัวเต็งเนี่ยก็คือราชีฟซามีก็เป็นคู่แข่งกัน ในสายตาคนทั่วไปแล้วรากว่าลาชิฟเนี่ยนะไปเจอ ส, สามๆหนึ่งนะสะกดผิดเพราะมันสะกดยากนะมันตัวตัวอักษรนี่มันยาวเป็นเป็นเป็นรถไฟเลยประมาณสิบห้าตัวใช้มั้งนะลาชิฟตกรอบสามีก็เลยเป็นตัวเต็มนักข่าวไปถามสามี ก่อนที่จะแข่งขันว่าเนี่ยดีใจไหมที่เพื่อนที่คู่แข่งตกรอบแกตอนดีก็บอกว่าผมไม่ได้แข่งกับใครนะฮะผมแข่งกับคำนะแกคือแกไม่ได้เดือดร้อนเลยนะที่เพื่อนตกรอบแกไม่ได้ดีใจเลยที่เพื่อนตกรอบนะเพราะแกไม่ได้มองเขาเป็นคู่แข่งแกเห็นว่าคําต่างหาก ท, ที่เป็นคู่แข่งกับแกอาตมาคิดว่าอันนี้เนี่ยมันมาใช้ได้กับเวลาเราทํางานนะ แทนที่เราจะมองคนอยู่ใ น, นคู่แข่งกับเราคนเราหน่วยงานเป็นคู่แข่งกับเรานะคนเราแผนะเป็นคู่แข่งกับเราหรือคนในแผนะเดียวกันเป็นคู่แข่งกับเราเรามองว่าเราแข่งกับงานมันจะดีกว่าก็คือพยายามทําให้งานออกมาดีที่สุดนะอันนี้ไปทาให้การอิจฉาเลือดสยาหรือว่าการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีน้อยลง อันหนึ่งที่สำคัญนะก็คือว่าคาชมอาจะมาคิดว่าในรอในหลายเ่องงานเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตำหนิติดเตียงกันซึ่งมันจะมันจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่จริงอยู่นะบางครั้งเราก็ประสงดีนะเพราะเราคิดว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนอาจจะต้องใช้ ค, คาคาตำหนิแต่ว่าเราลองมาใช้คําชมดูบ้างก็ดีนะเชื้จี้เนี่ยครับประสบความสำเร็จมากนะในการ กระตุ้นโมติเวตคนทุกระดับเลยและมีคนไทยคนหนึ่งที่เคยอยู่ในสำนักสำนักที่เข้มงวดมากนะในเมืองไทยนะพอมาเจอชูจีเนี่ยแกตั้งข้อสังเกตว่าชูจีเนี่ยชมเจ็ดสิบตำหนี่สามสิบซึ่งต่างกับสำนักของเขาสำนักเขาเนี่ยตำหนี่เจ็ดสิบนะชมสามสิบแล้วมันเห็นความแกตกต่างนะ สื่อี้เนี่ยคนมีกําลังใจมี motivation มีแรงจูงใจเพราะว่าคำชมแล้งใช้การชมนในการเปลี่ยนพฤติกรรมคนถ้ตตาตมนึกถึงเรื่องราวคนคนนึงเรื่องราวเหตุการณ์หนึ่งนะสมัยที่มันมีปั๊มน้ํามันเจตนึกจปั๊มน้ํามันเจนะปั๊มน้ํามันเจนเนี่ยเคยมีชื่อเรื่องห้องน้ําสะอาดแต่ก่อนนี่นะสักสิบปีที่แล้วเนี่ยแท้ห้องน้ำต้งเข้าห้องเข้าห้อ ง, องน้ำห้องน้ำเจนะมาตรฐานของห้องน้ําเจนเนี่ยสูงมากนะ แต่ทำไคิดว่าสูงกับปตทในปัจจุบันซิก็มีผู้บริหารคุณแกชอบไปสํารวจห้องน้ํานอกจากสํารวจสํารวจปัม๊มแล้วก็ไปสำรวจห้องน้ําด้วยกไ็ไปสังเกตวห้องน้ําปั๊มหนึ่งเนี่ยมันมันไม่สูงมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ถึงมาตรฐานมันสะอาดแต่ไม่ถึงมาตรฐานแกก็เลยอยากจะไปคุยกับคุณป้าที่ทําความสะอาด วิธีการคุยสนใจน่าสนใจแกก็ไปหาคุณป้าแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้ของเข้าห้องน้ํามาเนี่ยแขกที่เข้าห้องน้ําเขาชมนะว่าห้องน้ําสะอาดกอเลยอยากจะรู้ว่าคุณป้านเนี่ยทําความสะอาดห้องน้ํำยังไงคือแกต้องการเช็คเนี้ยว่าทําความสะอาดเนี่ยตรงตามตรงตามระเบียบหรือโปรโตโคอลของบริษัทหรือเปล่าคุณป้าแกก็อธิบายว่าทาอะไรบ้าง นะตรงแปะเลยนะแต่ว่าในใจของซี o โอคนนั้นแก้วซมันยังไม่มันยังไม่ดีพอแต่แกพูดอีกแบบแกบอกเนี่ยว่าโอคุณป้านี่นะขยันจังเลยนะนะแกก็พูดชมนะว่าคุณป้านี่ขยันนะทำให้ห้องน้ำสะอาดลูกค้าชมพูดไม่ทันลายนะคุณป้าเนี่ย พขบอกว่าขอตัวนะแกขอตัวไปไหนฮะไปห้องน้ำไปทำความสะอาดให้ดีขึ้นก็เดิมนะซีโอไม่ได้ด่าเลยนะเพีเยงแต่ชมนะว่าโอ้คุณป้าทำดีทำสะอาดนะขยันนะทำตามขั้นตอนทุกอย่างเลยคุณป้าเนี่ยพอรู้ว่ามีคนชมพอรู้ว่าสิ่งที่โดนทำเนี่ยมัน ม, มันอยู่ในสายตาของคนเนี่ยนะแกก็เกิดความสึขว่า จะต้องทําให้ดีนะแล้วแกคงจะรู้สึกว่าไอ้ที่เราทําอะไรเมื่อกี้เราทำบกพร่องไปหน่อยนะแกรู้เองนะแล้วก็ที่แกรู้ เ, เนี่ยแกไม่ได้รู้สึกว่าอับอายแตว่รารู้สึกว่า เ, เราได้ทาให้มันดีกว่า น, นี้ได้นะเพราะว่ามีคนชมเนี่ยคนชมแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็อยากจะทำมันดีขึ้นหลายครั้งเนี่ยเราทําคนทําไม่ดีเพราะว่ามันรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าไม่มีใครสนใจ แต่ถ้ามันก็ตามที่เขาสุภาษิตเขาทำมันมีคุณค่ามีคนมีคนมีคนอยู่ในสายตาของผู้คนมีคนมองเห็นแล้วก็มีคนชมเขาก็อยากจะทันมันดีขึ้นนะอธิมาคิดว่าให้การทํางานเนี่ยถ้าเราถ้าเราเติมนี้เข้าไปบ้างนะมัทําให้การทํางานมีความสุขมากขึ้นอย่าคิดว่ามีแต่คําตําหนิเท่านั้นที่จะทําทให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพฤติกรรมชมก็สามารถจะช่วยได้รวมทั้งคําขอโทษ ด, ด้วย คำขอโทษเนี่ยนะถ้าเราออกมาจากเพื่อลู ง, งาน ม, นมันก็จะดีเพราะคำขอโทษเนี่ยมันช่วยทําให้เกิดความสึกที่ดีต่อกันทีนี้เราขอโทษกันน้อยลงมันมีคําไม่กี่คำํค ำ, คำที่เราใช้กันน้อยมากนะขอบคุณขอโทษนะแล้วก็คําชมเออคิดว่าในองค์กรเนี่ยถ้าเรามีตรงนี้มากขึ้นนะมันจะดีคําคําขอโทษมันสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้นะ แบบไม่น่าเชื่อมีนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยแกเล่าว่าวันนึ่งแกขับรถอยู่บนทางด่วนบนถนนไฮเวย์เนี่ยนะจู่ๆก็มีรถคันหนึ่งเนี่ยแซงแกแล้วก็รถกระตกมาแล้วก็ตะโกนด่าแกแกงงเลยนะกูทำอะไรวะแกะจะไม่รู้ตัวว่าอาจจะขับรถช้าหรืออาจจะขับรถกิดเลงก็ได้ไนงะแต่พอถูกดา่าจริงแกโกรธเลยนะ ถ้าขวแกทำไงอ่ะแกขับรถตามต่อรถตามจนกระทั่งไปถึงรถคันนั้นแกก็จะแซงและปาดตอนที่รถขนานกันนี่นะนักธุรกิจคนนั้นเนี่ยแกก็ลดกระจกลงเพื่อเตรียมด่าอีกคันหนึ่งเนี่ยนะพอรู้ว่าพอเห็นอีกคันหนึ่งเหเห็นรถคันข้างๆลดกระจกรู้แล้วขูจะถูกด่าเนี่แกก็ลดกระจกเตรียมด่าตอบมั่งแต่จู่ๆนะนักธุรกิจคนนั้นเนี่ย จะเปลี่ยนใจแกตะโกมนมาว่าผมขอโทษไอ้หมอท่านซึ่งเตรียมจะดา่านะเลยนะขอโทษเลยนะพูดพูดแทนที่จะดา่าเนี่ยกับขอโทษตามกลับมาเลยนะมันเปลี่ยนแบบฉับพลันเลยนะจากเดิมที่โกรนนะเตรียมจะดา่าแล้วเนี่ยพ อ, อพอจะรับคําขอโทษอีกคนหนึ่งนะไอ้ความดีในใจเนี่ยมันมันขึ้นมาครอมนําไอ้คือมันขึ้นมา ม, มีมีกำลังเหนือเลยจากที่จะดา่านะีเปลี่ยนเป็นขอโทษ ถันไม่พอนะทีเนี้ยต่างคนต่างก็บอกว่าเอ๊ะคุณไปก่อนเดย์คุณบอกคุณไปก่อนเดยเมื่อกี้นี้ยังเพิ่งแย่งแย่งแย่งขือถนนกันเลยตอนนี้นะจะให้ให้ถนนให้ที่ของกันละกันต่างฝ่ายต่างบอกให้เพื่อนไปก่อนนะกลายเป็นมีน้ําใจขึ้นมาทันทีเลยพราะอะไระเพราะคำขอโทษนะคำขอโทษนี่มันดึงเอาความดีในใจคนเราออกมามันมีที่มันมีพลังนะฮะ คำชมก็ดีคําขอโทษดีมันสามารถจะดึงเอาความดินคอมองามาจากที่จะห้าหันการที่จะด่ากันเนี่ยกลายเป็นความให้อภัยความเ อ, อื้อเฟื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะม า, าใช้บ้างนะใช้ไบ่อยก็จะดีอาจจะเริ่มต้นอยากใช้คนในครอบครัวคนในบ้านเราแล้วก็ใช้กับเพื่อนร่วม ง, งานก็ใช้เรกาก็สมควรแล้วนะฮะจะได้เรอเวลาสอบคําถามบ้างนะขอเชิญนะ ที่สนใจมีใครจะสักถามและเปลี่ยนเลยไหมครับก็มาที่ไมโครโฟนได้เลย น, นะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องหลักธํามต่างๆที่พระคุณจ้านะครับที่ได้แสดงคํ้มานะครับสามารถนะครับสักถามได้เลยนะครับเชินครับ นนิสิตหลวครับจะเรียนยังไงให้มีความสุขในการประเมินเอาเกรดได้อะอัตมาเนี่ยนะตอนที่ไม่รู้ว่าเรียนไปทําไมเนี่ยก็สนใจจะเอาคะแนนให้มันได้สูงแต่หลังจากที่ว่ารู้ว่าเรียนไปทําไมเนี่ยคออยําตอบง่ายๆของเด็กมัธยมตอนนะั้นคือว่าเรียนเพื่อเอาความรู้ แต่ถึงตอนนั้นเนี่ยนะไอ้คะแนนเนี่ยเป็นเรื่องรองนะแล้วพอเราไม่สนใจคะแนนนะั้นเราเอาแต่ความรู้นะคะแนนมันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะสอบก็ไม่ได้ทรมานมากสอบไม่เกร็งเลยนะเพราะว่าไม่ได้สนใจคะแนนอ่ตมาเจอเจอเด็กคนหนึ่งนะไปชื่อดุ้ยเป็นเด็กการศึกษาเด็กมัธยมแะเล่าว่าคราวหนึ่งเนี่ยมีการสอบภาษาจีนครูเนี่ยเห็นนักเรียนเนี่ยชอบ ผูจิเรตในข้อในในการสอบก็เลยครูนักเรียนทุกคนว่าถ้าพบว่าใครคนไหนทุจ้จิรตจะถูกตัดสิบคะแนนทุกคนทั้งห้องครูขนานี้แล้วเนี่ยก็ยังมีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยผู้จริรตครูจับได้ครูตัดคะแนนหมดเลยคนทั้งห้องนี่ลุมด่าเด็กคนเนี้เด็กคนนี้ก็เสียใจนะไปขอโทษขอโพยเพื่อนร่วมชั้นไปขอโทษบางคนก็ถูกด่ากลับมาแต่เด็กคนนี้ไปขอโทษยุย้ย ยุ้บอกว่ายุ้ยเป็นเด็กเรียนดีนะยุ้ยบอกว่าฉันไม่โกรธเธอหรอกครูเนี่ยนะตัดคะแนนฉันได้แต่ว่าครูเอาความรู้ไปจากหัวฉันไม่ได้เธอไม่ทุกเลยนะเสียไปสิบคะแนนเนี่ยฟรีๆไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าสำหรับเธอแล้วเนี่ยเรียนเพื่อเอาความรู้เพราะนั่นเนี่ยสอบเนี่ยเธอได้ความรู้แล้วเธอก็พอใจถูกตัดไปสิบคะแนนเธอไม่เสียใจเพราะคะแนนเนี่ยครูเอาไปได้ แต่ความรู้ครัวไปไม่ได้ เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนะถ้าคุณสนใจนะคุณอถ้าคุณคิดว่าเรียนเพื่ออะไรเนี่ยเรียนเพื่อเอาความรู้นะไอ้เกรดเป็นเรื่องรองนะอย่าเอาเกรดเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะถ้าเอาเกรดเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยอาจจะอาจจะมีปัญหาได้มันมีโรงเรียนมัธยมเรียนอยูนนในกรุงเทพชื่อดังมากเลยครูจับได้ว่านักเรียนสี่ห้าคนเนี่ยร่วมมือกันทุจริต แล้วครูแปลกใจามากไอเด็กทั้งหมดเนี่ยนะได้ได้คะแนนเนี่ยนะสามจุดเจ็ดสามจุดแปดกันทุกคนเลยครูถามว่าเธอทําไมถึงทุจริตเด็กบอกว่าอยากได้สี่ครับอยากได้สี่ไอเพราะว่าเรียนดีไม่ทุจริตเรียนดีไม่ทุจริตนี่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จริงนะหรือว่ารวยแล้วไม่ทุจริตนี่ก็ไม่จริงนะถ้ามันยังมีความโลภอยู่ถึงมม้เรียนดีแค่ไหนรวยแค่ไห น, นก็โกงเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปเอาเกรดเป็นเป็นสาระนะถ้าคุณไม่เอาเกรดเป็นสาระเนี่ยนะแล้วคุณเรียนเพื่อเรียนเพื่อเอาความรู้นะเดี๋ยวมันมาเองและตรงนี้ <p ans S 1> ท, ทาให้คุณจะสนุกการเรียนก็เพราะคุณไม่เอาเกรด เ, เ, เ, เป็นสาระคุณเอาความรู้เป็นเป็นหัวใจแล้วคุณจะสนุกการเรียนถ้าคุณเอาเอาเกรดเป็นเป็นเป็นเป็นสาระนะคุณไม่มีความสนุกอ่ะคุณจะอิจฉาเพื่อนที่มันได้เกรดสุงกว่าคุณ คุณจะทุกข์หาคุณได้เกรดต่ำกว่าที่คาดหวังเอาความรู้ดีกว่านะเกรดผลพภัยได้ถ้าจะเกรดถ้าคุณเรียนดีแล้วเกรดได้ไ ด, ได้ได้เกรดน้อยเป็นปัญหาของครูเองไม่ใช่ปัญหาคุณนะเพราะครูตามไม่ถึงนะครับนตะอนนี้คถามครับอันนี้ถามในเรื่องในถรมครับอาทิอย์เดือนหน้าเป็นวันแรกในการสอบครับปกติผมก็อ่านหนังสือเรื่อยๆครับผมก็อ่านหนังสือแล้วพอพอมันมีความคิดที่มัไม่ใช่ปัจจุบัน ที่เราอ่านหนังสือตามตัว อ, อัอษรนะเช่นผมอ่านฟิสิกส์อยู่อ่อ๋อฟิสิกส์สอบอทิตย์หน้าสอบเรื่องนี้ เ, เรื่องนี้ทาไม่ได้เป็นสองสาม 2, สิบเขียนมันลากผมไม่ละผมต้านคันแต่ผมกลับาไม่ได้ผมอยู่กับมันที่มันไม่ใช่ปัจจุบันกับหนังสือที่ผมอ่านอยู่แล้วผมโดนลากาไปไนไม่รู้ผมกลับมาไม่ได้ครอนนี้เป็นปัญหาของผมครับว่าคุณมีความกางังวล คุณมีความกังวลและความกังวลเพราะคุณไปให้ค่ากเกรดอย่างที่พูดไปถ้าคุณถ้าคุณมุ่งกอบความรู้เนี่ยคุณจะเพลินกับการอ่านการเตรียมการเตรียมสอบแล้วคุณจะไม่คิดแต่จะเพาะจํากัดการเตรียมสอบแต่เฉพาะตําราคุณอาจจะไปสนใจความรู้นอกตําราด้วยซ้ําซึ่งอาจจะมีประโยชน์ต่อการทําให้คุณเข้าใจความรู้ในตํารามากขึ้นหรือว่าต่อยอดความรู้ในตําราแต่ปัญหาจริงคือความคุณกังวลพอคุณกังวลแล้วเนี่ยคุณก็ ใจคุณก็จะลอยไปแล้วนะไปอนาคตนะเพราะเนี้ยคลายความกงมังวลลงนะแล้วก็ตอนที่จะให้เรื่องเตรียมสอบนี่นะถ้าอยากจะให้ดีมันต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทําทีละนิดนะแล้วขอใกล้ๆเนี่ยทําเต็มที่อัตมาพยายามสอนพยายามบอกคนนะเวลาทํางานอะไรก็ตามเนี้ว่าให้ทําเต็มที่แต่อย่าซีเรียสนะ เรียนเต็มที่แต่อยาซีเรียสก็เหมือนกันนะและมันมีเคล็ดลับนะของคนที่เขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากนะซึ่งอัตมาก็ก็บังเอิญเนี่ยได้มีประสบการณ์คล้ายกันอาจารย์ปวยอึ้งพ ก, กรณเป็นคนที่เรียนเก่งมากนะแกบอกว่านะแกเขียนบทความสื่อเขียนบทความชื่อว่าเรียนให้เก่งหรือสอบให้เก่งเนี่ยนะประสบการณ์อาจารย์ปวยคือว่าพอถึงวันพอใกล้วันสอบเนี่ยวันสองวันเนี่ยพัก ไปเดินเล่นไปดูหนังใช่แต่ก่อนนั้นเนี่ยอัดก็ไปเต็มที่เลยนะแต่ก่อนสอบหนึ่งวันสองวันเนี่ยพักพักสมองผ่อนคลายจิดใจไปสมัยนั้นเนี่ยก็ไปเดินเดิ น, เ ด, นเดินเที่ยวสวนดูดูหนังบ้างนอนให้เต็มที่นะไอ้เพศดูจนจนนาทีสุดท้ายเนี่ยนะไม่เคยเห็นว่าใครประสบความสำเร็จเลย เพราะว่ามันได้แต่ปริมาณเนี่ยมันไม่มีคุณภาพสมองที่มันอัดอัดอัดจกนกระทั่งอัดจกนกทั่งไม่ได้หลับไม่นอนมันได้แต่ปริมาณมันไม่ได้คุณภาพเวลาคุณจะสอบให้ดีเนี่ยสมององคุณต้องมีคุณภาพและสมองมีคุณภาพต้องต้องรู้จักพักผ่อนคลายใจสบายนอนเต็มที่นะอันเนี้ยลองลองทำดูนะแต่ถ้าเกิดว่าก่อนด้านนั้นไม่ได้เตรียมเลยนะ ที่ว่าคุณก็ต้องลุยจนถึง จ, จนทั้งถึงงาสุดท้ายแล้วกันนะแต่ถ้าคุณลุยจนท้างเต็มที่แล้วนะวันสองวันสุดท้ายเนะี่ยคุณสบายสบายอาตมาก็ใช้วิธีนึงเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าอ่าก็ก็สอบได้ดีอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนนะครับอันนี้ผมอันนี้ผมปฏิบัติของผมครับอันนี้ผมสมมติเวลานผมเดินจงกรมครับ จนแป๊เดียวผมก็แช่แล้วรู้สึกว่าทีย่ยางกาวมันสบายมากมันเป็นความสบายไม่รู้เรียก ว, ว่าชาหรือว่าอะไรหรือเปล่าครับผมก็เข้าไปข้างในเลยจนทิ้งดิ่งมากดิ่งมากไปไหนเพราเหมือนจะรู้สึกตัวเหมือ น, น, นจะออกมาผมไม่แน่ใจว่าออกกับไม่ออกต่ากันยังไงนะผมไม่รู้จริงๆครับผมก็โอเครู้ว่าเราดิ่งอย่างเดียวเราก็เลยเปลี่ยนแต่รียกบทไปมาหมอยอย้อกับเพื่อนไป คือแบบเปลี่ยนเพื่อพิกออกมาจากตรงนั้นให้ได้แล้วพอผมออกมาได้ออกตอนออกมาไม่รู้ตัวหรอครับมันจะรู้ตัวแต่พิมเมาอ้อมอยกับเพื่อนจนเหนื่อยหรือว่ามันวุ่นวายจนหมุนขึ้านในไปนหมุนตัผมปฏิบัติมานานพอควรผมยังไม่รู้เลยว่าแค่ไหนจะรู้สึกตัวครับรู้สึกตัวคือว่าเวลากายเคลื่อนไหวใจก็รับรู้นะรู้สึกตัวคือว่า มีเสียงอะไรมากระทบหูก็รู้สักแต่ว่าได้ยินแต่ไม่ใชแ่แต่ไม่ใช่ตั้งใจที่จะไปเพ่งวาดไม่ไ ม, ไม่คือฟังอย่างที่คุณเล่าเนี่ยมันไม่ใช่คือมันเป็นการเพง่งหรือเป็นการเข้าไปในความสงบแล้วมันไม่ใช่พร้อมสุขตัวทั่วพร้อมความสุข ต, ตัวพร้อมเนี่ยคุณเดินคุณก็รู้ว่าเดินนะเวลาคุณนั่งคุณก็รู้ว่านั่งทําอะไรก็รู้ว่าทําสิ่งนั้นแล้วก็รู้ทั้งข้างนอกข้างในก็คือว่า คิดอะไรายใจก็รู้นะมีอะไรมากระทบทางตาก็รู้แต่รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยมีอะไรกระทบทางหูก็สัตว์ได้ยินแล้วก็ปล่อยยังติดพักใสอยู่ค่ะสิ่งนี้ดีของผักใสอย่างเดียวเลยพรคุณติดสงบเนี่ยคุณติดสงบแล้วก็เลยก็เลยก็เลยอะไรที่มันทําให้ใจไม่สงบก็ผักออกไปแล้วครูตอนผักมากเลยครับอืมลองทําใจเป็นกลางครูบาอาจารย์อย่างหลวงพเถียนบอกว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆ ทำใจเป็นกลางอะไรที่ดีก็ไม่ได้ยินดีกับมันอะไรที่ร้ายก็ไม่ได้ยินร้ายกับมันหรือถ้ายินร้ายก็ให้รู้ทันยินดีก็ให้รู้ทันอย่าผักใสนะเพราะผักใส่เนี่ยไม่ว่าผักใส่หรือไฟหาเนี่ก็หลงท้ายด้วยการยึดติดและเขาเ้าไปในความหลงทั้งสิ้นขอบคุณนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องนิสิตด้วยนะครับทีม มีประเด็นคำถามที่น่าสนใจครับคืออย่างนี้เองนั่นเองนะครั บ, แ ล, ออรนนรบแล้วก็ค่อยๆนะครับแล้วค่อยอ่านติีมสอบไปเรื่อยๆครับก็มีผู้ใดนะครั บ, รบที่อยากจะสังถามเชิญครับ ม, 3, มีคำถามในสองประเด็นแต่ว่าเป็นสามเรื่องค่ะก็จะเป็นเรื่องของการทางานเรื่องการมองโลกในแง่บวกค่ะกรณีการมองโลกในแง่บวกมากเกินไปนะคะโดยที่มันทําให้เราได้รับผลกระทบจากการที่มีคนในสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนไม่ดีมาเอาเปรียบเราเวลาที่เรามองโลกในแง่บวกมากขึ้นไปนี่เราจะทำยังไงคะ มองลนแง่บวกเนี่ยคือมองตามความเป็นจริงนะไม่ได้มองเกินความจริงคือเห็นทั้งความดีและความไม่ดีของเขาแต่ว่ามองในแง่บวกคือว่าไม่ได้เห็นแต่ความไม่ดีเห็นความดีด้วยแต่ถ้าคนเห็นความดีแต่ถ้าเห็นจนเกินความจริงเนี่ยอันนั้นไม่ใช่มองแง่บวกที่อาตมาพูดถึงอาตมาพูดถึงว่ามองตามความเป็นจริงแต่มองในสิ่งที่มันเป็นบวกฟังที่อจรย์ที่กูเล่าเนี่ยคุณมองเกินความเป็นจริงไปหรือมองข้ามขึ้นในความเป็นจริง ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เป็นตามมองบวกในนิยามของตมาแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเช่นการทีเ่เหมือนเรื่องของความเครียดอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเราเครียดเราก็จะสามารถจัดการกับความเครียดนั้นได้แต่บางกรณีเช่นเวลาขับรถมาตอนเช้าแล้วเราถูกปัดหน้าแล้วเราเกิดความเครียดโดยรู้ตัว อันนี้เราจะจัด ก, การกับความเครียดที่ไม่รู้ที่ทําให้เราไม่รู้ตัวนั้นได้ยังไง ค, คือก็ต้องพยายามทำให้รู้ตัวให้เหลร็วที่สุดนะอาจจะมีสิ่งเตือนใจให้เราให้เรารู้ว่าเรากำลังเครียดหรือเรากำลังหงุดหงิดเรากำลังโมโหใช่ไหมสิ่งสาคัญเนี่ยก็คือว่าทําให้สเตเราไวขึ้นนะ คนนี้หลายคนมักจะเพราะว่าเมื่อเมื่อรู้ว่าเครียดแล้วเนี่ยแต่ว่าคาําความเครียดให้หายไม่ได้ยากอ่านเนี่ยก็ต้องกลับมาวิธีง่ายๆคือกลับมาตามลมหายใจนะกลับมาตามลมหายใจใหายใจเข้าลึกๆหายใจ ย, ว ย, วยาวๆนะมันช่วยทําให้ความเครียดความโมโหเนี่ยคลี่คลายบมดวิธีนี้คือว่าก่อนที่จะขับรถคุณต้องเตือนใจตัวคุณเองว่าอาจจะมีเช้าเนี้ยมีคนมาปาด หน้ารถคุณนะเผื่อใจไว้ว่าจะมีคนมาป่าดและบอ ก, กบตัวเองว่าถ้ามีคนป่าดหน้ารถเราจะทำอย่างไรใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยการเขาตอนที่เข้ามาป่าดเราเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรเสียหายกับเราไม่ใช่เหรอแต่มันเสียหายกับเราก็ต่อเมื่อเราคิดจะไปไล่ล่าหรือไปด่าเขาใช่ไหมเพราะนั้นก็เตือนใจว่าอย่าไปซ้ําเตือนตัวเองใช่ไหมเตือนใจงเราไว้ก่อนว่า เมื่อจะนั่งรถเมื่อจะขับรถอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็บอกเราเองว่าบอกตัวเองว่าถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะทําใจอย่างไรอาจจะมีข้อความบางอย่างเตือนใจไว้นะว่าว่าถูกปาดถูกปาดหน้านะแต่ว่าใจไม่ทุกอะไรสองเนี่ยให้มีสเติทุกครั้งเมื่อรถถูกปาดเป็นะนต้นนะ อย่างแรกที่จำเป็นคือสำคัญคือว่าให้มีวินัยในการเล่นหมายความว่ากำหนดกับตัวเองว่าเราจะเล่นวันละกี่ชั่วโมงนะเพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดเนี่ยมันจะถลหลเลื่อยไปเรื่อยๆติดพันนะเราเสียเวลาแบบการเล่นเฟซบุ๊มากนะนต้องบอกตัวเองว่าจะเล่นจะเล่น Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเนี่ ย, ยวันละเท่าไหร่ วิธีที่อตาตมาใช้เนี่ยอตาตมาคิด่าการเปิดออนไลน์ไว้ตลอดทั้งวันเนี่ยนะมันจะทําให้เราไม่มีสมาธิมากเลยเพราะเด็กก็ปิง้งปิง ป, งปงิไลน์เข้ามาพเพจเซชเข้ามาใช่ไหมอตาตมาคิดว่าถ้าเราจะต้องการมีวินัยเนี่ยกําหนดไปเลยนะว่าเราจะเปิ ด, เ ร, เ, ปดเราจะออนไลน์วันละกี่ครั้งเช่นวันละสามครั้งครั้งละเท่าไหร่เช่นเช้าประมาณเย็นถ้าพอออนไลน์เสร็จก็ก็ปิด นะมันกดปุ่มอ่ะกดปุ่มไวไฟก็ได้กดปุ่มอะไรกดปุ่มอะไรั ก, รกสัญญาณก็ได้นะวิธีนี้มันทาให้คุณเนี่ยนะมีสมาธิกับงานแล้วก็มีมีเวลาอยู่กับคนใกล้ตัวคนรักเช่นลูกเช่นหลานเวลากินข้าวก็นอกจากนอกจากนอกจากไม่เล่นแล้วเนี่ยก็ปิดสัญญาณออนไลน์นะมันทาให้คุณไม่กังวลอันนี้เป็นเรื่องของวินยัย ใช่ไหมซึ่งแต่ละคนก็ต้องไปกำหนดเอาเองประกันที่สองคือว่าให้มีสตินะ c e b o o k เนี่ยออนไลน์ด้วยเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเท็จเนี่ยไม่น้อยกว่าสิบเปอร์ซ็นตบางคนว่าสามสิบเปอร์เซ็นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งอย่าไปเชื่อง่ายอย่าไปเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เห็นทางไลน์ของ Facebook และสอนอจยะจะ่าดวนแชร์ใช่ไหมอัตมาเนี่ยจะเจอบ่อยเพื่อว่าข้อมูลที่ว่อนกันทางเฟซบ o o กเนี่ยมันติดพลาดนะมันใส่ไข่หรือว่าใส่ร้ายกันเยอะเพราะะนั้นอย่าไปอย่าไปเชื่อมันต้องต้องใจต้องหนักแน่นนะก่อนที่จะเชื่อต้องไปหาข้อเท็จจริงก่อนประการที่สามก็คือว่าต้องระวัง ว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดการเปรียบเทียบได้ง่ายอาตมาได้พูดไปแล้วว่าหลายทุกวันนี้เนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยเป็นทุกข์มากพ Facebook เพราะเฟซบุ๊กเพราะว่ามีการเปรียบเทียบ ว, ว่าโอ๊ยคนเนี่ก็ไปเที่ยวก็ไปกินอาหารอร่อยนะก็ไปชายหาดเข้าไปต่างประเทศไอเราต้องมานั่งเจาถจุกทํางานนะหรือบางคนเนี่ยหน้าตาสดใสสวยเราที่หน้าเหียวใช่ไหมเราต้องเข้าใจาว่าไอสิ่งที่เ้าโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยมันเขาก็เลือกสรรมาแล้ว บางคนเนี่ยต้องถ่ายรูปประมาณถ่ายรูปเซลฟี่ประมาณสองร้อยรูปกว่าจะเลือกได้หนึ่งรูปที่สวยที่สุดนะเอามีนะฮะประเทศคนที่บ้าเซลฟี่ม า, มากๆเนี่ยอะและเราจะโอยแมะเขาเขาเขารุนเดียวกับเราแต่ทำไมเขาใสาเขาสวยเขาของอย่างนั้นเนี่ยเรานี่คนรู้สึกแยกก่ตัวเองเพราะเฟซบุ๊กเยอะนะฮะทุกวันนี้เนี่ยคนรู้สึกแย่กับตัวเองบางทีเรียกว่าเฟซทุนะมี facebook นะแล้วก็ ที่อันหนึ่งที่ที่ต้องระวังก็คือว่าการใช้ a c e b o o k เพื่อเพื่อเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนระบายความโกรธความเกลียดนเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้เราเราง่ายที่จะด่าเขียนข้อความที่รุนแรงลงใน Facebook ซึ่งมันไม่เพียงแต่เป็นโทษกับคนอ่านเท่านั้น หรือเป็นทั่วกับเจ้าตั ว, ตวนะอาจจะเป็นทั่วกับเราเองในวันข้างหน้าเพราะสิ่งที่เราเขียนในเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นอมต์หลายคนเสียผู้เสียคนตกงานเพราะว่าข้อความที่เขียนทางเฟซบุ๊กในเชิงดูหมิ่นยียดยามเมื่อห้าปีก่อนใช่ไห ม, ไหมการเมืองด้วยดูดูถูกเหยียดยามผู้หญิง ด, นนดูถ้าาเเป็นอมริกูถูกเหยียดยามคนดําอะไรต่างเนี่ยเขาก็เอาข้อความเนี่ยมาเล่นนะทำให้ตกงานทําให้ เสียชื่อเสียงเพราะฉะ น, นั้นเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่มันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเขียนจะใส่หรือจะสาะลงไปเนี่ยมันจะง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยัยงช่างใจมากต้องมีสติมากเลยนะฮะการการใช้ f เฟซบ o ๊กท่านในแง่ว่าไม่หลงเชื่อ ง, ง, ง่ายๆแล้วก็ไม่ทําตามอารมณ์ง่ายเกินไปนะ ไอ้เรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันมีอีกมากมายนะที่มันจะผูกมัดเราหรือว่าจะทำให้เราเสียหายส่วนคนอื่นเนี่ยนะเขาก็จะเสียผู้เสียคนได้เหมือนกันถ้าถูกรุมดา่าใช่ไหมในอเมริกาเด็กกำเนินมากเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะว่าถูกเพื่อนรุมด่ากนันนำนะทางโซเชียลมีเดียบางคนเป็นเด็กสวยบางคนเป็นเด็กเล่นเก่งเพื่อนๆเหม็นหน้าก็ดา่ารุมด่านะนะั่นแหละเด็กมันก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า การมป็นหนเน่าค่าตัวตายก็มีแล้วก็ต้องระวังนะอย่าอย่าต้องระวังอย่าคือมันมันง่ายที่เราจะใช้ Facebook เพื่อสนองกิเลส ข, ของเรา ก, กิเลสตัวนึ่งนะ้นนอกจากความโกรธความเกลียดแล้วก็คือความอยากจะแสดงประกาศอตาัตราคนอย่างนี้นี่อัตราสูงมากเพราะอาศัยเฟซบุ o กนี่เป็นเป็นเครื่องพนนอเป็นเครื่องประกาศตัวตน ทำความดีก็ต้องไปประกาศให้โลกรู้ว่าไปทำบุญที่นั่นนาะไปปฏิบัติธรรมที่นี่ใช่ไหอันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าเราต้องการโชว์ออฟหรือเปล่าต้องการประกาศตัว ต, วตนว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่ารวมทั้งคาดหวังว่าต้องมีคนกดไลค์เดี๋ยวนี้ไม่กดไลค์นี่นะทุกข์มากนะวัยรุ่นเนะีจะต้องดูนะว่าจะต้องได้ไลค์เท่าไหร่ใช่ฮะเด็กเดี๋ยวนี้นะโพส ถ้าโพสเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยไม่มีคนกดไลค์ต้องทัวไปหาเพื่อนนะทางไลน์เขาให้กดไลค์ให้หน่อยกลายเป็นการเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายคือว่าเป็นคนที่เอาเอาคุณค่าตัวเองไปผูกติดอยู่กับสายต่างคนอื่นชีวิตที่เอาตัวเองไปผูกติดกับสายต่างคนอื่นมันช่วยที่หาความสุขได้ยากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากเราต้องการประกาศตัวตนและทําให้เราเนี่ยไปลงติดกับคำชมคํสาสรรเสริญมันทําให้เราเนี่ยกลายเป็นศูนย์เซกสรภาพในการดําเนินชีวิตมากขึ้นไปใหี่ย มันก็ใช้แต่พอประมาณนะฮะแต่ไม่ต้องห่ว่นะ a c e b o o k เนี่ยไม่นานก็คงจะสูนพันไปแล้วมันจะมีโต๊ะอื่นที่น่ากลัวกว่ามาแทนที่นะสมัยตะมาสมัยสักสิกว่าปีก่อนเราเล่นไอซคิใช่ไหมรู้จักไหม i อซคอ่ะไม่รู้จักเหร อ, <laughs> อโอ้โหตอนดังมากเลย i อซคิอ่ะใช่ไสิบปีเอนมาก็ยูทูบใช่ไหมไอพวกนี้เป็นดาน์โดสาวสูพัน์ไปหมดแล้วไม่นา น, านฟกก็จะต่อไปก็อะไรไฮ Hi5, ฟไ5 Hi5 ฟไฟโอ้ hi, hi, hi five, hi five. Oh, ดังมากเลยนะก็ศูนย์พันไปแล้วแต่มาเพื่อนเฟสบุ๊เนี่ยคุณอย่าไม่ตื่นเต้นเลยแม่นาก็ศูนย์พันไปเหมือนกันแต่มันจะมีตัวหมายที่ที่รูกกว่าแรงกว่ามาแทนที่ถ้าเราไม่มีสตินีน่ก็จะหลงนะเป็นทาสของมันหรือใช้มันเพื่อสนองอัตราตัวตอนหรือกิเลส ข, ของเราซึ่งไม่ดีทั้งคู่ มีสติอะมีสติฮะมีสติสตสตอย่างเดียวเลยมีปัญญาด้วยพระเจ้าครับก็ได้รับคําช่งแวนะครับเราต้องใช้อย่างมีสติเฉลี่ยใช้อย่างพอพอดีนะครับอคอบครันมีคจากในงประชุมีกไหครับวจะสองถา น, นะครับเกี่ยวกับหักธรรมะงจิตเบิกบา น, นงานเล่นบทงคนเป็นสุขครับ ว่ทุกคนน่าจะอีกความสุขแล้วนะครับวันนี้นะครับได้นะครับข้อคิดให้คิดดีนะครับวันนเจ้าเสร็จที่แล้วนะครับก็นะครับก็ในวันนี้นะครับก็มีนะครับก็เราเต็มมารับฟัง